เรียนท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และมีสิทธิ์ฝ่ายบันคชิญทั้งระดับมหาบัณฑิตและปริศรีบัณฑิตทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณะอาจารย์และมีสิทธิ์ ฝ่ายเครือาทุกท่านการเลือกศึกษาวิชากิจแต่วิทยาอาจจะมีวสัสถุประสงค์ส่วนตัวกันคนระอย่างสองอย่างบางคนก็เพื่อแก้ปัญหาชีวิตตัวเอง พอเห็นว่ามาเรียนที่นี่มันมีเรื่องพุทธศาสนามีเรื่องของธรรมะก็เอาไปใช้ในการดับทุกข์แก้ปัญหาตัวเองบางคนก็เพื่อคนอื่นบางคนก็เพราะความอยากรู้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ แล้วก็ลองตั้งเป็นโจทย์ว่าตั้งแต่วันที่เราเข้าเรียนจนกระทั้งเราจบเนี่ยมันตอบโจทย์ในใจของเราได้มากไหมหรือมันไม่ได้หรือมันได้เกินเกินคาดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองต่อไป ในฝ่ายของผู้เรียนในฝ่ายของผู้จัดหลักสูตรตั้งแต่สภาหมหาวิทยาลายัยที่อนุมัติมันจะถึงภาพวิชามีวัตถุประสงค์อะไรจูนให้มันตรงกันเขาจัดเพื่ออะไรและอันที่สองทำได้หรือเปล่า หรือราคาคุยโฆษณาแต่เหมือนสินค้าที่โฆษณาดีแต่ไม่มีคุณภาพพวกเครื่องสมารโฆษณาเยอะแยะโดนจับไปแสิ่งที่เราต้องเข้าใจจมกันก็คือ พุทธจิตวิทยามันก็เป็นจิตวิทยาแต่มันต่างจา ก, กจิตวิทยาโดยเฉพาะทางตะวันตกอย่างไรบางคนอาจจะเรียนในระดับปริญญาตรีก็ามาตอบปริญญาโทที่นี่บางคนจบปริญญาชั้นสูงก็มีนะแล้วก็มาเรียนพุทธจิตวิทยา พุทธจิตวิทยามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์อย่างไรและถ้าเราเรียนเนี่ยเราจะบอกคนอื่นได้อย่างไรว่านี่คือพุทธจิตวิทยาเรียนอะไรเพื่ออะไรความจริงไม่ใช่หน้าที่ของอธิการบดีต้องมาตอบนะใช่ปะหละ่ะแต่เขาเกณฑ์มาทุกปีเลย ไม่รู้ไม่หมาอนทำไมพอเจอคำถามกับตัวเองก็เลยพยายามด้วยความสนใจก็พยายามหาคำตอบเพราะว่าในฐานะฝ่ายบริหารต้องเสนอหลักสูตรให้สภาหมหาวิทยาลัยก็จะต้องเสนอหลักการลนเหตุผล บางทีเราเสนอเป็นจิตวิทยาไปเขาขอเปลี่ยนเป็นพุทธจิตวิทยาเฉยเลยนะแล้วก็มาบอกว่าหลักสูตรไม่เห็นมีคาว่าพุทธก็สภาพวกไปเปลี่ยนก็เติมพุทธพุทธพุทธข้าไปแล้วมันใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องมาเคลียร์จำความเข้าใจให้ตรงกันว่าสิ่งที่เรากําลังเรียนกําลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไร วิธีตอบคำถามมาหนึ่งก็คือมองในเชิงลำดับเหตุการณ์เ้าเรียกโครโนโลยีในเชิงวัติศาสตร์พุทธกิจวิทยาเนี่ยมันมันมีพัฒนาการทางความคิดความสนใจซึ่งสรุปได้เป็นสองเรื่องก็คือทางทฤษฎีและก็ปฏิบัติ ตัวซีรีสตัวทฤษฎีเนี่ยมันมาอย่างไงและตัวประยุกต์ที่ว่าแอปพลายคือปฏิบัติเนี่ยเขาทำอะไรกันคาว่าทำอะไรกันนี่ก็คือในระดับสากลในระดับนานาชาติเขาเอาตัวทฤษฎีทางปรศนาไปใช้ในทางจิตวิทยา ก, กันเรื่องอะไรมันจะต้องมีสองเรื่อง มันจึงมีสมาคมวิชาชีพที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ในส่วนของทฤษฎีเนี่ยเรื่องของปรยิยีติเกิดความตื่นตัวในเรื่องของจิตวิยาเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกมาก็คือแปลอภิธรรมมาปิฎกเล่มที่หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ที่กรุงลอนดอนโดยบา l i เท็ก s o โซ e t ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะสมาคมบาลีประกรณ์พิมพ์ในปีพันเก้าร้อยปีนี้พันสองพันสองพันสิบแปดง่ายๆก็หนึ่งร้อยสิบแปดปีมาแลวที่เกิดความตื่นตัวอย่างเป็นทางการ เพราะแปลพระไตรปิฎกเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษภาษาบริีตั้งชื่อว่าธรรมสัมคณีภาษาอังกฤษตั้งชื่อว่าบุ s t Manual of Psychological Ethics มันมีคำว่า p s y c h o l o g i เข้ามอีกมันก็เลยแล้วมันบอกว่านี่คือพระไตรปิฎกอ่ะมันเป็นคำพีหลัก โลกตะวันตกก็ถามแล้วมันเป็นไซโคโลจีตรงไห น, นอภิธรรมมันไปดกเล่มที่หนึ่งคือธรรมสังคณีเป็นไซโค o โลจิคอเอ i ิกตรงไห น, นก็เป็นคำถามที่ทุกวันนี้พวกเราก็ต้องตอบอีก <c oughs> มาเรียนที่นี่ต้องตอบได้อย่าน้อยไปเปิดหน่อยมันเล่มไหน อภิธรรมเล่มที่หนึ่งคำพีที่หนึ่งมันมีเจ็ดคำพีนะนี่คือปกฉบับปัจจุบันที่ที่เขาพิมพ์ปัจจุบันเนะ่ยชื่อมันมีคำว่า of the fourth century b.c. สีส่ศตวตรรษก่อนคี่สกกลาดด้วยคนแปลคือภรรยาของริฟเดวิส ก็ยังมีจำหน่ายในท้องตลาดในเล่มนี้ซึ่งถ้าอ่านว่าเราจะพยายามอ่านในภาษาไทยก็ได้แล้วมหาจุลาก็แปลมันคงจับประเด็นไม่ได้หรอกว่าไอ้ตรงไหนมันเป็นจิตริยาใช่ไหมเขาจึงทำสรุปอีกสรุปธรรมสังคดีเนี่ยเป็นเล่มเล็ก ให้อ่านกันเมื่อสรุปแสดงว่าง่ายกว่าใช่ไหมแต่อย่านึกว่ามันง่ายเขาสรุปมาเป็นหนังสือชื่ออภิธรรมมัถสังขารสรุปอภิธรรมแล้วก็อธิบายอภิธรรมมัธสกฐานเลีกมันเรียกเนี่ยคําอธิบายเรียกว่าอภิธรรมมัถวิภาวินี ในประเทศไทยเอาอาภิธรรมมสังฆะมาอาภิธรรมมัธยมว้นีาเนี่ยในมหาจรรยาดีกว่ามาเรียนกันเจ็ดปีจบแล้วได้อภิธรมรมบดินที่เขามารับปริญญาคเนี่ยไม่นานเนี่ยเขาเรียนเรื่องนี้แหละท่านคิดว่าอยากจะได้ความรู้เยอะไปเลยที่นู่นอีกรอบกันเลยตั้งแต่ชั้นต้นเลยจนจบเจ็ดปีนะ ได้นั่นแหละแค่ปริญญาตรีนะเขาเรียกอภิธรรมบัณิตเพราะอย่างนั้นในประเทศไทยที่บอกว่านักอภิธรรมอะ่ะคือเรียนบุชิสัยคโลจีนี่แหละมันลิง k กันเพียงแต่ว่ามันพลสำนักเนี่ยเถียงจะอยู่้านอโศกนัน่นแหละนักอภิธรรมไม่ยอมกัน ฉะนันภูมิปัญญาจริงๆในเทิงในเชิงประเพณีเนี่ยเรามีมากมายมหาศาลแต่ไม่สามารถจะเอามาเชื่อมกับจิตวิยาตะวันตกอภิธรรมก็ส่วนอภิธรรมอภิธรรมบดินทรนะจิตวิยาตะวันตกก็ส่วนจิตวิยาตะวันตกและเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเอามารวมกันอภิธรรม บวกจิตวิาณตันตกก็เป็นพุธทธจิตทิยาณคำถามเรารู้ลึกซึ้งในเรื่องอภิธรรมแค่ไหนเพียงไรซึ่งมีเจ็ดคัมภีร์นะสังวิทาปุกยปะสิบสองเล่มไม่จำเป็นจะต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดเขาสรุปไว้แล้วในอภิธรรมมัทสังหะ อภิธรรมมัทธวิภาวินีแต่พระคุณย่าทั้งหลายเนี่ยจะขยานไม่เคยแตกเพราะว่านังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหลักสูตรประโยคเก้าเราแยกออกให้ออกนะไอน้นังสือภาษาบาลีประโยคเก้ากับที่เราจะอ่านทำคว า, ามเข้าใจมันคนละเรื่องเอามาอ่านเถอะถึงไม่ได้ป ร, รียนถึงสอบตกแล้วตกอีกอเอาความรู้ และโยมก็ต้องอ่านมีทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็มีอภิธรรมะศกัณฐ์เนี่ยน่าสนใจมากซึ่งเขาพูดถึงจิตเจตสิกรูป น, นิพพานแล้วทุกคืนเนี่ยสวดกันทุกวัดเลยสวดอภิธรรมอยากจะให้พุทธิวิยามันซึมนะไปนั่งฟังสวดศพเลย เ่าสวด น, น, นี่กุสลธรมรมะกุศลาธรรมานั่นแหละมันคือเนื้อหาพุทธเจตวิญญานะนี่พระสวนหรดนะพรรรมตงีาสวนาสดไหม<า>โอ้โหนั่นแหละให้มันซึมเข้ากระดูกดำเลยอ่ะนี่พูดถึงที่มาก่อนนะที่ว่าอภิธรรมมัทสังคะหะ อภิธรรมวัถวิภารวีนีนะ่แหละจิตเจตสิกรูป น, นิพพานอันนี้สกุลจิตคืออะไรเขาก็นิยามไว้จเจตสิกคืออะไรอันนี้ก็คือใหม่จิตเจตสิกนี่คือใหม่รูปคือบอดี้เพราะฉะนั้นมนุษย์บุคคลเนี่ยมันก็ประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจจิตใจแบ่งออกเป็นสองส่วนเป็นจิตกับเจตสิกร่างกายคือรูปเราเรียก สั้นๆว่านามมรูปนามคือจิตก็คือจิตเจตสิกรูปก็คือรูปส่วนนิพพานคือเป้าหมายเขาเรียกว่าปรมัตัยความจริงในตัวมันเองและพระพุทธศาสนาศึกษาความจริงในตัวมันเองในทั้งสี่ส่วนจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าเราเน้นเฉพาะสองข้อแรกน่นจิตเจตสิกนันมันเป็นอะไร เนื้อหาของจิตตวิทยาเนั้นเองถ้าเรียนแบบพระสูตรในพระสูตรเขาก็เรียนไม่จะเป็นต้องอาพิธรรมจิตเจตสิกรูปสามข้อแรกเนี่ยเขาแบ่งเป็นห้าคาเรทขันขันคือกองรูปก็คือข้อสาม เวทนาสัญญาสังขารคือข้อสองเจตสิกวิญญาณคือข้อหนึ่งเพียงแต่มันเรียกคนละอย่างทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรียนขันห้าก็คือจิตทใหญ่แหละจบแล้วแค่นี้แหละง่ายก็รู้เอกนะตอนแรกดูขึ้นขันเลยตอนแหนตอนหลักลับบ้านดีกว่าหมดละ เรียนมาแล้วเทนั้นแหละในพระสูตรที่ว่าวยเรื่องเหล่านี้มีเยอะมากอภิธรรมคือสรุปเนื้อหาในพระสูตรเช่นมาทุ ป, ปินเดกะสูตรโรคาสูตรมหาปรินิพพานสูตรพระสูตรตันตะปิโดกอะ่ะเยอะมากประมาณยี่สิบห้าเล่มท่านก็ไปหาอ่านเอาทางที่ดีซื้อของมหาจุฬาไว้ก่อน ลุกๆทำๆก็จบแล้วตัวอย่างเป็นความพยายามที่พัฒนาพุทธจิตวิทยาในตะวันตกเล่มแรกๆเลยเนี่ย Saint Buddhism and p s y c h o อนอริสิตปรมาจารย์ของไซคอนอริส i ตนะ e r i ิ f r o m มนะอย่างนี้ต่องอางหาก ประมาจาย์ของเซนดีทีซูซูกิเนี่ยใครไม่รู้จักถ้าเรียนเซนเขามาทำหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเนื้อหาด้านหนึ่งของพุทธจิตวิทยาและก็มีคนมาแปลเป็นปภาษาไทยจิตวิเคราะห์กับพุทธศาสนาใกายเซนอีกเล่มหนึ่งที่เก่าแก่มากก็คือ psychology of nirvana จิตวิทยาเรื่องนิพพานหนังสือเร่อนี้เป็นหนังสือคลาสสิกหมดใครที่เรียนอยู่ ในสายนี้เพียงแต่จะอาจรู้เรื่องหรือไม่เท่านั้นแหละแค่นิพนธ์อย่างเดียวก็หมื่เแล้วยังเอาไซโคโลจีออกดีรบวานะเขาอีก <c oughs> นี่ยกตัวอย่างในด้านของการประยุกต์แอปพลายหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนโรปทอาปมีบุรีไซโครเธรปีจิตเวชเชิงพุ่น แล้วก็มีคนแต่งหนังสือบุอนทิซ์แมน y ซ h ค t h e r a p y พุทธศาสนากับจิตบาบัดเห็นัน้ยเป็นเรื่องของการประยุกต์พุทธศาสนาไปการรักษาเป็นจิตเวทอะ่ะอีกอันหนึ่งที่กำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรปอเมริกาปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า m b s r ทำให้ตะวันตกนี่ตื่นตัวเรื่อง mindfulness ตอนนี้เนี่ยต้องถือว่า mindfulness เ, เรื่องสตินเนี่ยนะมันเป็น เ, เป็น psychological clinic แต่ละและที่ทำได้ผลมากก็คือ m b s r เขาเรียก mindfulness based stress reduction วิธีลดความเครียดโดยอาศัยสติคนที่ริเริ่มเรื่องนี้ชื่อจอรนกัมบัดซินเมื่อ30ปีมาแล้ว แล้วเดี๋ยวนี้มีเซ็นเตอร์ในทั่วอเมริกาในยุโรปก็มีไม่มีใครไม่รู้จักแหละปีที่แล้วเราจัดประชุมนานาชาติที่วิสาขาโลกเนี่ยหกข้อใหญ่ก็คือสติไม u l n เ s s ลองไปหาอา่านดูเขาพิมพ์รวมบทความหนึ่งในผู้นำเสนอเนี่ยมานำเสนอเนี่ยมาจากยุโรปน่าจะเป็นเบลเจียม ไม่ใช่นักจิตวิทยาโดยตรงเป็นนักวิยาศาสตร์แต่ว่ามาสนใจ mindfulness based stress reduction เขามามาบรรยายไปนั่งฟังอยู่คนสนใจและเขาก็บอกว่าเ ด, น, น, เดนี่ในในเบรเซียนตั้งเป็นสมาคมในยุโรปเลยเรื่องใช้สติคือเขาพยายามบอกว่า เรื่องของสติมันเป็นเซ c u ล a r ซึ่งรับเล ว, ว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องของธราวา่าแต่คนเริ่มเนี่ยจอรนกัม บ, บัตสินเนี่ยเป็นลูกศิษย์ิดชนาฐันเรียนเรียนสมาธิแบบเซนที่เบสก็มีหนังสือชื่อไอเกี่ยวกับที่เบสันบุกอัเดตสเน่ซึ่งเรามาขยายเป็นชีวิตและความตายเป็นอีกสาขาหนึ่งยังมีคนเรียนัหย หรือตายมาแล้วยังอยู่เลยอ่าแล้วไปเห็น <c oughs> มาบทว่า อ, อยากจะเปลี่ยนชื่อรู้จึดนึกว่าคงยังไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่นหรอกถ้ายังไม่ยังยังเรียนกันอยู่อนะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ทีนี้เรามาดูอันนั้นที่ว่าเป็นเรื่องของตะวันตกที่ได้เรามาดูภูมิปัญญาของเราในใ น, ในพืนพ้นทายปิจบ เอามาเชื่อมกันเนี่ยในโรคคัสูนผู้ได้จ้าแต่ลว่าโรคมีสองอย่างโรค ก, กายกับโรคใจอย่าไปบอกโรคคิดนะมันมันคนลคภาพใหม่โรคเจตสิกะโรคนี่โรคทางใจคนที่เป็นโรคทางใจเพราะโดนกิเลสบีบคั้นเสียดแทงคำว่าโรคในลากศัพท์เลยว่าเสียดแทง เชื้อโรคมามาเสียดแทงเราก็อินเฟคชันย่าไม่ติดเชื้อบาดแผละอะไรต่างมันเท่ากับมาบีบคั้นมาเสียดแทงเขาเลยเรียกว่าโรคในภาษาบาลีอะไรที่มาเสียดแทงกายเขาเรียกโรคทางกายอะไรที่มาเสียดแทงใจปวดใจจี๊ดจเน่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกซิสโตรเฟเนียเป็นพวกประสาทหลอน แต่ตราบใดที่ยังปวดใจมีความทุกข์เขาเรียกเป็นโรคใจหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคใจเพราะเกเรเสียดแทงเนี่ยต้องรักษาทั้งสิ้นไม่จำเป็นจะต้องมีอาการหนักประสาทหลอนนอนไม่หลับอะไรนะแค่มีความทุกข์ใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจตสิกะโรคพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ คนที่หายจากโรคใจก็คือพระอรหันต์เท่านั้นที่นั่งอยู่นี่เป็นหมดอนะ่ะหมาะแล้วที่มาเรียนอนะ่ะและยาที่รักษาเนี่ยก็คือธรรมโอสรสโดยมีพระสูตรพูดถึงพระสูตรที่พูดถึงเนื่อนี้ก็คือโรคขสุ ยาที่รักษาโรคก็คือธรรมโอสถ <c oughs> เรามาเรียนพุทธจิวยาคือมาปรุงธรรมโอสถ ร, รักษาโรคใจของตัวเองด้วยของคนอื่นด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตแพทย์เอกของโล ก, ลกเรามากาักจะรู้จักพระพุทธเจ้าในนามเดียวก็คือศรัทธาแปลว่ า, าศาสตรสดาบรมศาสตรสดาแต่ในสาย จเจตวทิยาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้รับคำยกย่องสมัญญาว่าสัพภะโลกะติกิชโกแพทย์ผู้รักษาโรคให้คนทั้งปวงโรคในที่นี้คือเจตสิกรโรคโรคทุกใจยาที่พระองค์มอบให้คือธรรมโอสถไม่ต้องไปไหวหมอชีวกหรอกพระพุทธเจ้านี่แหละ เป็นแพทย์ด้านจิตใจแล้วก็รักษาด้วยธรรมโมอสสเราเริ่มเริ่มเห็นแนวทางแนละ้วทีนี้เมื่อเราจะรักษาโรคทางจิตใจของตนเองของคนอื่น เ, นเมื่อมีกิเลสมาบีบคั้นโรคบางอย่าง มันสัมพันธ์กันกายกับจิตอ่ะบางทีเราป่วยกายพลอยป่วยใจไปด้วยปวดทางกายแล้วใช่ไหมเป็นโรคซึมเศร้าไปหาหมออยางเดินปล้ออยู่พอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นห้ามกลับทำไมมันเจอลูกศรดอกที่สอง คนยากัดไว้ในสารสูตรดอกแรกคือป่วยกาย<ม>แล้วพอเรารู้ว่าเราป่วยกายรักษายากไม่ไม่หายเรื่องอะไรต่างมันป่วยใจอีกซิกท้งจิตใจเข้ามาเอาลูกศรทิ่มเข้าไปอีกสังให้ตัวเองกบไบอีกมันเลยรักษายากมีมีพระองค์หนึ่งไปไม่ปวดท้องนะไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้ะมากระซิบลูกศิษย์่าอยู่ได้หกเดือนอาเขาเจ็บเดือนเดียวมรณภาพลูกศิษย์ก็ไปต่อว่าหมอไปบอกขั้นทำไมว่าเป็นมะเร็งเราอยู่ได้เดือนเดียวเลยโดนลูกศรดอกที่สองทิ่มเข้าไปเดือนเดียวเท่านั้นแหละเป็นสัปลูกศิษย์ไปต่อว่าหมอไม่น่าบอกความจริงเลย หมอบอกจะไปรุ่นเห็นว่าเป็นพระนึกว่าจะป่งได้ไปเทพงานศพองนั้นแหละเขาต้องไปฝังแต่ไม่อยากบอกว่าอยู่แถวไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคทางกายทางใจมันสัมพันธ์กันเขาเรียกไซโคโซเมติกโรคเครียดเนี่ยเนี่ย ทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารทำให้ไมเกรนนอนไม่หลับปวดหัวนักธุรกิจคนหนึ่งของพมา่าเอะนะชื่อโกเอนก้าตอนนั้นอายุ31ปีก็ในตระกูลร่ำรวยอยู่ในพมา่าเป็นเชื้อสายอินเดียนักนับถือศาสนาฮินดู ทำธุรกิจแล้วช่วงหลังช่วงนั้นเนี่ยพม่ามันเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะทำท่าจะเอาเปรียบชาวต่างชาติหรือยึดกิจการแกก็เลยเครียดปวดหัวกังวลปวดหัวกับธุรกิจเนี่ยไปหาหมอเรื่อยมายเกรดใช่ไมกินยาแล้งับปวดมันก็ได้ชั่วคราวตอนหลังมันปวดมากขึ้นมากขึ้นหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นเบิ่มขึ้นจนวันหนึ่งหมอบอกว่าหมอประจำตัวบอกว่า คุณคุณมีสตังค์ต่อไปนี้เดินทางไปต่างประเทศงดเรื่องไปทำธุรกิจสักระยะหนึ่งให้ไปทำอะไรไปหาหมอเก่งๆในโลกนี้รักษาโรคปวดหัวของคุณอ้าวทำไมคุณไม่รักษาผมหมดปัญญาแล้วครับในพม่ารักษาไม่ได้ตอนนี้ให้ยาแก้ปวดคุณเป็นอะไรรู้ปะ่ะฟิน คืนให้ต่อไปเนี่ยคุณจะติดฟินงอมเงมเลยไปทั่วโลกเลยคุณมีสตังเนี่ยยุโรปอเมริกานะรักษาโรกปวดหัวคุณอย่างเดียวแกก็ไปนะไปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาไม่มีหมอคนไหนช่วยแกได้ถ้าคือรักษาก็ฟินอย่างเดียวเขาบอก กลับมาที่พมา่าอย่างคนหมดหวังแล้วก็ได้ข่าวว่าคนที่ปวดหัวเนี่ยไปนั่งกรรมฐ า, านแล้วหายแกไม่เคยเพราะแกเป็นคนนับถือศาสนาฮินดูหรือพราหม่มมันไม่มีทางนะก็เลยไปหาอาจารย์คารวาที่สอกนกรรมฐ า, านชื่ออูบาคิด คนลุกติลุกหาเยอะนะอาจารย์คารว่ากคนเนี้ย น, นายหนุ่มคนนี้เลยนะก็ไปหามาผมมาขอนั่งกรรมฐานมาฝึกกรรมฐานอุบาเข็นก็ถามว่าจะนั่งกรรมฐานไปทำอะไรเพื่ออะไรคุณจะมาทำทำไมเขาก็บอกว่า รักษาโรคปวดหัวครับผมเป็นไมเกรนครับจัดมารักษาโรคปวดศีรษะรูบาขินบอกว่ากรรมฐานไม่ได้เป็นยาโรคแก้ปวดหัวไม่ต้องมากลับไปกรรมฐานมันสลับดับทุกข์ไม่ใช่แก้ปวดหัวกับไล่ต่อหน้าคนเยอะๆแกเสียใจยแกก็กลับ กลับไปบ้านยังปวดหัวอีกมันหมดทางขึ้นมาไปนั่งคิดไอปวดหัวมันกระทุ้บกันเลยเพราะฉะนั้นกลับไปหาอุบาขินใหม่อุบาขินถามว่ามาทําไมนั่งกรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์วงเล็บปวดหัวนั่งกรรมฐาน นั่งไปนั่งมาโดยมีความสุขกับกรรมฐานไม่รู้มันหายปวดหัวไปตอนไหนเลยนั่งต่อเพื่อดับทุกข์พอเห็นผลเองนะไปชวนภรรยานั่งกรรมฐานพ่อตาแม่ยายนั่งกรรมฐานเปลี่ยนศาสนาหมดเลยจากฮินดูมาเป็นพุทธ ตอนหลังตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานสอนทั่วโลกมีสาขาทั่วโลกในเมืองไทยก็มี s อสเอ n นกกตรงนี้ก็เหมือนกับว่าโลกปวดหัวเนี่ยมันมั น, มนโลกกาย แต่มันต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กับจิตใจกนะรรมาฐานรักษาไดา้ดับทุกข์ได้และบางทีถึงเราจะป่วยเป็นโรคอื่นร้ายแรงเนี่ยเราไม่ซ้าเติมด้วยลูกศนดอกที่สองมันทำให้อายุยืนขึ้นไปอีกหนยะเมื่อวันซืนไปบรรยายเรื่อง Mind and Body in Regenerative regener uh, regener Medicine ในการประชุมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเกษตรมนตร์ <c oughs> หมอพง์สังนั่งฟังอยู่นักพูดอะไระตอนท้ายแกก็เลยลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเสริมที่พูดในประเด็นเนี้ยแกเล่าบอกว่ า, วาคุยกันเป็นภาษาอนะังกฤษอ่ะ บอกว่าพ่อของคุณหมอพงศ์ศักดิ์หลายปีมาแล้วป่วยเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็รักษาแล้วก็หมอก็บอกว่าอยู่ได้ห้าปีรักษาเต็มที่ได้ได้ห้าปีนะพยายามคนไข้ เรียนธรรมะนั่งกรรมาฐานฝึกจากรูปบังอะไรบ้างไอเรียนจากรูปบัตอะไรบ้างหันเข้าหาธรรมะห้าปีก็ห้าปีปรงได้ตายก็ตายแต่พิเศษกว่นั้นคืออะไรโดยไอยคนมันพูดได้นะตายก็ตายยอมรับเนี่ยแต่คนนี้พิเศษตรงไหนพิมพ์หนังสืองานศพตัวเองลูกหน้าเลยก็หมอบอกว่าห้าปีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครบห้าปีไม่ต้องพิมพ์เลยแจกเลย งานศพตัวเองเนี่ยสามพันเล่มเตรียมไว้หมดเลยดูสิว่าเขาปลงได้เขายอมรับได้เนะี่ยิมนังสือสามพันเล่มเอออัอนุสรนงานศพปกตัวเองขึ้นหลาเลยชื่อตัวเองรูปตัวเองเนี่ยทั้งก็พอครบห้าปีใช่ไหมนั่งรอนอนรอมันก็ไปตายสักทีหนึ่งหนังสือก็พิ์แล้วเพราะบอกปีมศนี่ห้าปีเ่ย ปีก่าว่าตายพศไหยก็ใส่ไว้ใช่ไหมเอ้าถ้าไม่แจงมันก็ล้าสมัยอีกเลยใครมาก็ทยอยแจกเองไอ้คนตายก็อยู่นั่งหัวโดอยู่นั่นแหละจนหนังสือหมดก็ยังไม่ตายนะสามพันเล่มแล้วอยู่มาจนปีนี้เนี่ยผ่านมาสิบสองปีแล hm u, ้วยังอยู่เลยนะก็ถามคุณหมอแล้วคุณพ่ออยู่ไหนแปดสิบห้าเนี่ ก็ทําให้นึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนนั ก, กุละบิดาในในพระสูตรนั ก, กุละปิดาสูตรบอกว่าคือที่ที่รู้เรื่องนี้ก็เนื่องจากว่านั ก, กุละบิดาเนี่ยอายุมากมาหายหน้าหายตาไม่ไปวัดเป็นเดือนวันหนึ่งก็เดินกันย่องก็แย่งหลานลูกฝักคองมาทศ า, าริบูตเห็นเท่าก็ถามว่า หายหน้าไปนานทำไมไม่ค่อยมาวัดหมาถ้าพระคุณเจ้าตอนนี้ป่วยกระสอบกระแสกเต็มทีครับวันนี้พอจะฟื้นได้ก็เลยมาวัดอะไรจะไปไหนเ่ยเนี่ยจะไปเฝ้าพระเจ้าอะไรผ่านพุทิภาษาลิบุตรหายไปภาคใหญ่เดยกลับมาตอนนี้หลานไม่ต้องปกครองแล้วเดินเองพระสิบมือก็บอกไปได้ยาดีอะไรมาล่ะ ยาใจรักษาใจพระพุทธเจ้าสอนมาเทศให้ฟังนักวรรบิดาว่าแล้วเทศว่าอะไรจำได้ประโยชน์คนแก่จำได้ประโยชน์เดียวก็บุลแล้วนะว่าไงอะ่ะเนี่ยที่ขึ้นอยู่เนี่ยท่านพึงเตือนตัวเองศึกษาอย่างนี้ว่าที่พระพ เ, เจ้าเตือนนักวรรบิดา เมื่อเรามีร่างกายที่กระสรับกระส่ายเพราะความเจ็บไข้จิตใจของเราจะไม่กระสรับกระส่ายคือให้ป่วยแต่กายแต่ใจอย่าป่วยด้วยเตือนตัวเองตลอดเวลาร่างกายมันจะเป็นอย่างไรก็มันก็เป็นธรรมชาติของมันเป็นลูกศรดอกที่หนึ่งเรื่องอะไรเราจะไปซ้ําเติมดอกที่สอง เราจะเห็นบ่อยไปที่ในชีวิตจระมวันเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเศรษฐกิจตกยังฆ่าตัวตายทั้งที่บ้านหลังใหญ่เนะรวยกว่าไอ้พวกที่อยู่กับต๊อบอีกนะทำไมไม่ใช่ไม่มีจะกินลูกสอนดอกที่สองมันทิ่มแทงมันเสียหน้าไว้มี ทำไมต้องเป็นเราเทียบกับเพื่อนแล้วโหมันมันบริษัทมันใหญ่ได้เกินเราขนาดขาดทุนในบ้านยังหลังใหญ่โตอีกแต่ก็ค่าตัวตายบางคนไปยิงภรรยาตายเพราะเขาทิ้งแล้วยิงตัวตายอ่านไปอ่านมาไม่ใช่ภรรยาน้อย คนที่เท่าไร่ก็ไม่รู้ภรรยาหลวงยังอยู่เลยแต่ว่าพยิงแพ้น้อยไปเงตายมันสมน้ำหน้าไปหละ่ะตอนแรกว่าจะสงสารสักหน่อยบางคนก็มาหาเองเลยท่านผมมาดักพบท่านหลายวันนี่หลายเลาะยี่สุกับเปียเห็นท่านออกทีวีเลยมาหาทำไมอะ มาท่านไ ม, ไม่เจอท่านก็เลยมาตอนเช้าขอโทษอยากจะมาถามปัญหาปัญหาอะไรผมจะฆ่าใครดีครับนี<โทษ>ไม่เกี่ยวกับเราหรือเปละนะ่า<โ>เ<ทษ>ดินตาลอยๆทำไมคือเมียผมมีชู้ผมอยากจะฆ่าเมียให้ตาย แต่ก็สงสารลูกมันยังเล็กอยู่ยังลูกมีรู้ด้วยกันลกเล็กเล็กถ้าผมฆ่าเมียตายแล้วผมฆ่าผมตัวผมตายแล้วลูกผมจะอยู่กับใครถ้าผมฆ่าทั้งสามคนออหรือผมฆ่าผมตายคนเดียวเรื่องอะไรล้เมียมันก็สบายหรือฆ่าตายให้ตายทั้งสามคน แล้วลูกผมผิดตรงไหนผมยังคิดไม่ออกอยากมาถามท่านว่าจะฆ่าใครดีก็เลยถามเขาเรื่องมันเป็นยังไงเขาบอกภรรยาผมมีชู้ถามไปถามมากลายเป็นเมียน้อยตัวเองมีครอบครัวดีอยู่แล้วไปติดนักล้อ อ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ล้วก็เอาลูกมาสิไปครับไม่ครับมันเอาบ้านผมไปด้วยสิค่อยพโผล่ทีละอย่างลยอย่างค่อยๆโพ ล, แลพ่แต่สรุปแล้วคนที่มันมีความทุกข์มันจับต้นชนปลายไม่ถูกมันหาเหตุผลไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆเขาพูดค่อยฟังแล้วค่อยๆตั้งคาถามให้เขาค่อยๆมีเหตุผลสุดท้ายมันมาเองเพุผลมันมาเอง พออีกห้าวันต่อมาอุ้มลูกมผมเอาลูกมาเขาไปไหนก็ไปผมอยู่เพื่อลูกแล้วหายไปตแต่บัตรนะอย่าให้ลูกสอนดอกที่สองมันชิงแทง <c oughs> ที่ว่ามาเนี่ยเป็นกจกตแต่วิทยาเขาเรียกคอนเวนช i o นอ l ตามแบบ เมื่อเรามาเรียนจิติยามักนักจะมุ่งในการรักษาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนิยมไซโคโนาริสซ์สอะไรก็ตามเพื่อแก้ไขปัญหาดับไอตัวความทุกข์ตัวปัญหาโรคจิตอะไรก็ตามเป็นไซโคโทรพีพีจิตตะเวจิตบำบัดแต่นั่นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยานะ และถ้าเรียนเราเรียนพุทธิยุยาแต่ในสายนี้เท่านั้นเนี่ยมันจะได้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวในพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญามากกว่านั้นเขาเรียกปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีขับเรียกไอจิตวิญญาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันมีเยอะมาก และไม่ได้อยู่ในพี่ทำเราอยู่ในพระสูตรแต่เราไม่ได้มาเป็นจิตวิทยาแต่ก่อนนี้เพิ่งมาเป็นจิตวิทยาในคำสอนศาสนาในส่วนนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีเขาเรียก Positive ซ s y ค h o l o g y เริ่มในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าที่มีการประชุมนานาชาติของโพส i ิฟซิเคิลโ o จีตีสักว่าสิบแปดสิบเก้าปีครับเพิ่งเริ่ม แต่มีอิทธิพลที่สำคัญคือมันตรงกับผู้ศึกษาเยอะเลยถ้าเราพยายามพัฒนาพลสีย p s y คโ o l o กับสายพระสูตรนะมันจะเรียกว่ามีวรรณกรรมมีข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งท้าทายครูบาอาจารย์ท้าทายพวกเรามาก ถามว่า i พ i ติ p s ซ c h o โลย y จิริยาเชิงบวกคืออะไรในทางวิชาการเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นการศึกษาไม่ใช่เพื่อการแก้ทุกข์ดับทุกข์แต่มันเพื่อความสุขให้ชีวิตมีความสุขความเจริญแทนที่จะ เอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเบีบ ว, วิธีวิจัยเนี่ย น, นะไปใช้เพื่อทรี a เมนต์รักษาโรคจิตแต่ไปเพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิต achievement of a satisfactory life นี่คือชีวิตที่งดงามจะเรียนจิตวิทยาพาให้ชีวิตงามมันจะต้องเรียน positive psychology ด้วย ไม่งั้นมันก็อยู่แต่โลกซึมเศร้านะไปเที่ยวสัมภาษณ์คนโรคจิตวันหนึ่งก็ไอคนสัมภาษณ์ะเป็นโรคจิตเองอะมันเห็นแต่ด้านนกระีบอะแต่ว่าถ้าเราเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยที่ไปส่งเสริมให้คนมีความสุขเนี่ยอายุวันนะสุขพนะพราณน่ะให้พรกันนะ่ะเราใช้พุทิยาเพื่อการนั้นเนี่ยทำอย่างไร ในวงการยุนิยาเขาเรียกว่า p o s i t i v e สัยคลอโรจซึ่งมันไม่ใช่เรื่องพ a t h ล l o g y คือการรักษาแต่มันเป็นการพัฒนาชีวิตคนที่บุกเบิกเขาเรียกว่าเป็นแกนนำใน p o s t สติ p s y c ล o l o g y ชื่อปรากฏอยู่บนจอออกเสียงได้ไหมท่านดูนามสกุลก็ออกเสียงว่าไง สงสัยที่คนไม่รู้จักกับเพราะไอ้นามสกุลนี่แหละ <c oughs> ชื่อพอออกเสียงได้ว่ามิฮาลีนามสกุลอ่านว่าซิกเซนมิไฮเป็นคนฮังการีซึ่เราไปเปิดสาขามหาจุฬาอยู่ที่นั่นนี่นภาษาฮังการีน่ะอาจารย์ของมหาจุฬามาลาเมื่อวานจะไปเรียนต่อ โฮเอกที่ฮังการีเขาให้เรียนภาษาฮังการีได้สกลชิพไปและคนคนนี้เขาอยู่เป็นชาวฮังการยยีเป็นคนแต่งหนังสือที่ตอนนี้เนี่ยเด่นดังมากก็คือเรื่องเดอะโ o ล์เป็น t i v e psychology ถ้าใครสนใจนะต้องอ่าน และถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะรู้ว่า Positive Psychology มันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องปริศนายอย่างไรและมันพายชีวิตให้งดงามอย่างไรในอเมริกาเขาก็มีมูฟเวนและมีคนอื่นเขียนอีกเนี่ยโพสติฟซิเคิลโ o จีออฟบุริซึมแอนด์ยูคัออกมาแล้วในนิวยอร์กก็มีจัดเซมิแนสนะโพสติฟซิเคิลโลจีไมล์ฟูลเนสไซโครเทรพีทั้ง เซ็นทั้งโยคะทั้งไมฟูเนตอะไรต่างนี่ก็คือมูฟเป็นในปัจจุบันทุกวันนี้โค่งอ่อนมันไม่ได้แค่อยู่ในตำราแล้วมันเป็นชีวิตแหละเราควรจะแทบควรจะเชื่อมเวลาไปเนี่ยไปต่างประเทศอย่าไปไปดูตึกถ่ายรูปกันนะไปสัมมนากันอย่างเงี้ยมันจะได้คุ้มหน่อยหอ้ไปทีหนึ่งไม่เห็นได้อะไรมานอกจากรูปภาพ องความรู้ใหม่ๆ ใ, ในโลกให้มันได้มาบ้างไหนๆอุตสาห์ข้ามน้ำข้าทะเลไปแล้วที่พูดล่วงหน้าไว้ก่อนบอกวิธีการบอกว่าไหนๆจะเก็บกันแล้วเนี่ยให้มันได้แบบนี้บ้างสรุปว่ามันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ในโลกปัจจุบันเรื่อง Positive Psychology ทีนี้มันเป็นเรื่องอะไรทำไมชื่อจริงวดงาม ยังมีอีกมันมีกลุ่มที่ใช้ mindfulness ใช้ศาสนาเพื่อบำบัดโรคทางจิตใจเขาเรียกกลุ่ม mind body medicine เ mm hmm. วชศาสตร์ทางจิตและร่างกายเยอะมากเลยใช้สมาธิใช้กรรมฐานทั่วไปหมด คำว่าทั่วไปหมายคำว่าในโรงพยาบาลบางแห่งก็ให้มีเซ็นเตอร์พวกนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีอย่าง My Body Medicine อยู่ใน U C S F University of California San Francisco อย่างเนี้ยเราน่าจะเอามาเชื่อมเพียงแต่ดูเทคนิคเขานะ่ยเขาทำยังไง แต่องค์ความรู้มันอยู่ในปริศนาเพียบเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไอ้ที่เขาทำมันคล้ายของเรานั่นแหละแต่เขาเรียกชื่อของเขาเราก็เอาสิ่งที่เราปฏิบัติศึกษากันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละมาปัดแป้งแต่งตัวคุยกันในระดับนานาชาติได้สรุปแล้วฟังก์ชันของ ไซคลอจีเนี่ยพุทธจิวยียนมันไม่ใช่มีด้านเดียวไม่ใช่มีแต่ในด้านบำบัดรักษาจิตตะเวทจิตบำบัดแต่มันเป็นการพัฒนาชีวิตให้มีความสุขความงดงามเป็นไปตามประทานสี่สองข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของด้านป้องกันไม่ให้เกิด โรคทางใจหรือโรคจิตอะไรก็แล้วแต่เ้าเรียกสังวรและถ้าเป็นแล้วจะรักษายอย่างไรจิตบำบัด น, นี่ในทางน egative ในทาง positiv ก็คือภาวนาพัฒนาภาวนาแปลว่าพัฒนาหรือว่าหลกเป็น positiv ์ psychology แล้วก็ องความรู้ที่เป็น POSITIVE ซ s y โ h ล l o g y เนี่ยอยู่ในข้อสามและพวกเราที่ไม่ได้เป็นอยู่ก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันตกลงไปเขาเรียกอนุรักษ์ขนาดรักษา ส, สภาวะที่งดงามแห่งชีวิตเอาไว้เนื้อหาเนี่ยมันควรจะครอบคลุมในเรื่องเหล่านี้ในสี่ประเด็น แล้วก็พุทธเจ้วิุาฯจะต้องเปิดกว้างไม่ใช่วิ่งตามเขาถ้าเราทำครบสี่อย่างเนี่ยเราจะนำเขาในเรื่องของข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราทำมาเยอะข้อสามข้อสี่เนี่ยมันเป็น challenge ยังไม่ได้ทำและถ้าจะให้ชีวิตงานต้องทำคืออะไรทีนี่ เราได้ยินภูมิปัญญาโบราณเขาบอกว่าชีวิตงดงามมันงามน้ําใจใช่ใบหน้าใช่คนจะงามงามน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจรร ญ, ญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช้บา้านโตทําอย่างไรให้คนงามน้ําใจสวยจรร ญ, ญาแก่ความรู้ พุทธจริยาส่งเสริมตรงนี้อย่างไรพูดง่ายๆคือทำให้คนมีความสุขเนี่ยพุทธเจดิยาส่งเสริมตรงนี้อย่างไรคนจะรวยรวยสินฐานใช้บ้านโตคำว่าบ้านโตมีบ้านโตนี่มีความสุขจริงหรือเจริยามาก็ศึกษากันนะ ในทางจริยาคำว่าพอเพียงปรัชญาเศ่งพอเพียงมันสร้างความสุขได้อย่างไรก็คืออันนี้ในในสังคมอเมริกาเขาศึกษากันตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าหกจนถึงหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดจบกราฟนี่จะเห็นเลยเงินมากขึ้นทำให้คนสุขมากขึ้นใช่หรือไม่ เมื่อสังคมมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้นดัชนีความสุขของคนไทยสูงตามเงินหรือเปล่าสมัยนี้เราสุขกว่าเดิมมีรถมากกว่าเดิมมีตู้เย็นมีโทรทัศน์โทรศัพท์มีรู ก, กี่เครื่องมีทางด่วนซึ่งคนไทยเมื่อห้าสิบปีไม่มี ถามว่าคนไทยเมื่อ5วันนี้กับคนไทยเมื่อ50ปีที่แล้ว <c oughs> เรามีความสุขมากกว่าสมัยนูน้นใช่หรือไม่ใช่ไหม อ, อันนี้ทาง ย, ยุยาก็ศึกษาได้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะอะไรมันก็จะได้องค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาทันที ซึ่งในต่างประเทศเขาศึกษากันในเชิง p o s i i c h o l o g y เนี่ยเขาได้ข้อสรุปว่าเงินหรือความมั่งคั่งด้านวัตถุมันจำเป็นต่อความสุขในระดับหนึ่งตีว่ามันมีเบสไลในอเมริกาก็คือคนที่มีรายได้ ตำก็หกพันเหรียญต่อปีเนี่ย ม, มีความทุกข์จนเพราะฉะนั้นถ้าเขาหาไรายได้เพิ่มขึ้นนจนถึงหกพันเนี่ยเขามีความสุขและสุขมากคำถามคือประเทศไทยมันต้องเงินเท่าไหร่ที่พอถึงจุดนั้นแล้วมีความสุขมากเป็นเส้นเส้นแบบ พอถึงจุดนั้นแล้วคืออะไรรู้ไหมเพราะถึงหกพันแล้วเนี่ยคนอาจจะได้มีรายได้แปดพันหนึ่งมื่นสองหมื่นสองแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโดยเฉลี่ยนี่เป็น 1, 1 9, 9, 5, นะ 3, มน 1, 9, 9, 8, นื่นสะี่ละปีหนึ่งเก้าเก้านะเขาศึกษามาหนึ่งเก้าเก้าแปดยนะขึ้นไปสองหมื่นต่อปีหมายถึงรายรายได้เฉลี่ยต่อคนสังคมมั่งพั่งขึ้นแต่ คนความสุขของคนอย่างเท่าเดิมกับตอนที่เขาได้หกพันหมายความว่าเงินทองก็ดีสิ่งของก็ดีมันให้ความสุขตอนที่เรายังไม่มีพอเรามีแล้วเนี่ยความสุขมันไม่เพิ่อมอีกแล้วอยากมีรถใช่ไหมรถคันแรกให้ความสุขพอคันที่สองเฉยๆแนละ้วคันที่สาม จอดที่ไหนดีเก๊กกะแล้วใช่หัหยอันเนีโโ้ยอุ้ยอ่เป่าหื้อหูฉลามมือแรกเท่านั้นแหละพอมือสองมือสามยัดเยียดยังไม่กินเลยอันเนี้ยคือคือสิ่งที่มันเป็นฐานของความสุขทางวัตถุ เพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีมีหมื่นล้านก็ไม่ได้สุขไปกว่าเราเพราะเพราะมันเกินหกพันเนี่ยเขาไม่สุดน่ะมีอยู่ปีหนึ่งไปบอกหลวงพ่อที่ไต้หวันว่าเนี่ยกําลังจะซื้อที่สร้างวิทยาลัยนานาชาติตอนนั้นเราเรามีแค่แปดสิบไรเราจะซื้อไปเรามีแต่ด้านนี้ที่ด้านนู้นเราจะซื้อเพิ่มอีกแปดสิบไรเขาเอาร้อยล้านรัฐบาลไม่ให้ต้องหาเงินเองร้อยล้านบาทก็เท่าบาหน้าไปแล้ว บอกคนโน้นคนนี้ไปเจอหลวงพ่อที่ไต้หวันท่านบอกมีอะไรจะให้ช่วยวออบอกว่าผมเพิ่งจัดวันงานวันเกิดแปดสิบปีท่านว่าคนเอาเงินมาให้เล็กๆน้อยๆเก็บไว้ได้แปดสิบล้านไอ้เงินเล็กน้อยท่านานะ่ะนแปดสิบล้านจะให้ช่วยอะไรว่า ก็บอกว่าเนี่ยที่ดินเนี่ยแหละท่านก็เลยบอกผ่านล่ามนะท่านบอกว่างั้นผมช่วยคือเงินไอ้ที่ดินทั้งหมดมันแค่ร้อยล้านล่ามบอกว่าหลวงพ่อจะช่วยร้อยห้าสิบล้านบาทตอนนั้นจะกลับมาสนามบินแล้วท่านก็จะมาส่งนั่งรถมาด้วยกันพอได้ยินคำา ว, ว่าร้อยห้าสิบล้านบาทเลยไม่สบายใจ เครียดไม่อยากได้เออแปลกเนาะไม่พูดเลยนะนั่งเงียบเลยไม่พูดกับท่านเลยไม่พอใจที่ให้เยอะเท่าไหร่รู้ไหมเ <c oughs> มื่อคนให้เงินเยอะเนี่ยเขาหวังอะไรเขาหวังครอบงมเรารือเ่า <c oughs> และถ้าไต้หวันให้เงินเยอะเนี่ยมาครอบงมเรานี้ก็คืออะไร จีนไม่พอใจจีนแผ่นดินใหญ่ไม่พอใจเนะี่ยมาโดมิเนนตเราเราต้องการเป็นอิสระเราไม่ต้องการให้ใครมาครอบนรอและเราจะพูดว่าไม่เอามันก็ดูหยิงไปจนยังยังมามเขียมตัวเองนั่งนิ่งไม่สบายใจเลยนะพอมาได้กลางทางร <c oughs> ่างเขาคุยกับอะไรกับหลวงพ่อก็ไม่ <c oughs> เขามาขอโทษแปลผิด <c oughs> ไอ้ร้อยห้าสิบที่จริงสิบห้าล้าน ท่านขอโทษใหญ่เลยนึกว่าเราดีใจที่จะน้อยสิ <troll ey> เรามีความสุขมากเลยนะ่ะมันถึงจำไม่ลืมเออร้อยห้าสิบสิบห้าล้านกับร้อยห้าสิบล้านมันต่างกันนะร้อยห้าสิบล้านสร้างความทุกข์ให้เราแต่สิบห้าล้านให้มิทำให้เรามีความสุขนี่คือสิ่งที่มันเกิดจริงๆเพราะฉะนั้น ไอท้ที่ที่มันตราฟมันบอกเนี่ยไอ้ตัวเลขที่มันขึ้นขึ้ น, นมันไม่ใช่ให้ความสุขนะท่านตัวเราเองก็เหมือนกันเงินเดือ น, นเท่าไหร่มันอยู่ยังไงพอเพียงคือคำว่าพอเพียงคือเส้นที่มันทํามไอ้เรามีความสุขสารสมควรแก่สภาพเกินไปกว่านั้นสุขไม่เพิ่มมัน น, นั่นคือจุดพอเพียงแต่บางเออว่าในทางจริทยานในประเทศไทยเรายังไม่ได้กําหนดตัวเลข งานวิจัยมันจะบออกมาให้ว่าคนไทยต้องมีรายได้เท่านี้แล้วมันจะมีความพอเพียงก็คือความสุขมันสูงสุดถ้าเงินเกิด น, นี้ต่อให้เงินเพิ่มอีกร้อยล้านก็ไม่สุขเพิ่มเหมือนลดคันที่สองที่สามในตัวแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมันจะบอกเราจะรู้ให้มาเพกว่านั้นก็ไม่อยากได้ได้กม็มีประโยชน์ถ้ามันมีเงื่อนไขอะไรต่างๆไม่เอาเหมือนกับเร า, เ, ราเอาแค่สิบห้าล้าน 1้อยห้าสิบล้านไม่มีประโยชน์เลยไม่เอาเนี่ยมันพอเพียงตรงไห น, น <c oughs> เพราะเรามีเป้าหมายของเราไงว่าเราจะทำอะไรยังไงแค่ไหนแต่และคนมันจะรู้ <c oughs> เป็นพร ะ, พระครูเนี่ยนะท่านนะพอเป็นเจ้าคุณมีความสุขมากแต่ชั้นลากก็อย่างนั้นอนยะ่างนั้นไง ไม่ต้องเป็นก็ได้เป็นอีกทีลองสมเด็จเลยมันมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆเพราเป็นแล้วดนียมันเป็นภาระนะท่านเป็นอะไรที่ขายบริษัมาถึงจนหนึ่งเป็นธรรมะ ม, มันชุดพอเพียงแต่และเรื่องเ่ยทู่ซีทำงานไปกันเนี่ยมันต้องเอาคนที่มันมี ไฟมีพลังมาทำต่อทีนี้นี่พูดไปไให น, ในนะเรแล้ว <traveled group> เราก็จะมาถึงจุดชีวิตที่มันพอดีมันลงตัวนในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันคืออะไรเรายังจะต้องทำงานยังจะต้องมาเรียนอ่า บางคนทํางานอยู่แล้วมาเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วเรียนแล้วทุกข์แล้วเกินชีวิตตัวเองยังเอาไม่รอดนั้นมันจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงทำไมทุกข์แล้วว่างมาเรียนแล้วทุกข์กลับไม่เรียนแล้วทุกข์แบบไหนมันจะมากกว่ากันออกไปแล้วทุกข์มากกว่าเดิมก็จะไปออกอยู่ไปแล้วเป็นโรคประสาทก็อย่าอยู่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดตอนนี้โรคจิตมันยังไม่เกิด ยังคุยกันรู้เรื่องนยะยังจําชื่อครูบาอาจารย์ได้เราก็ต้องมาวีเคราะห์ว่าชีวิตต้องการอะไรมันเป็นจิิยาเชิงบวกอ้างคำพูดของในมาซารุนะอิบูการผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโซนี่ เขาพูดน่าสนใจมากความสำเร็จของโซนี่เนี่ยมาจากสามองค์ประกอบอันที่หนึ่งให้คนงานหรือวิศวกรเนี่ยมีความสุขกับ น, ว, รรโ น, โนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีผลิตอะไรใ ห, ใหม่ๆออกมา เขามีความสุขอันที่สองคนที่ทำงานต้องมีความรู้สึกว่าได้ช่วยสังคม Mission to Society ไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจอย่างเดียวแต่เพื่อช่วยคนอื่นและข้อที่สามให้เขาทำงานอย่างมีความพออกพอใจอย่างเต็มเต็มความรู้สึกอ่ะ สมข้อถ้ามันอยู่ที่ไหนองค์กรไหนมีความสุขที่นั่นอันนี้โซนี่เป็นหลักถ้าเรานะี่ยทำงานในบริษัทของเราแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบริษัทของเราหรือโรงเรียนของเราวิทยาลัยของเราเนี่ยองค์ประกอบที่จะทําทให้คนที่นี่มีความสุขคือเรื่องอะไรบ้างและเรามีหรือขาดอะไรอย่างตอนนี้มหาจุฬ า, าได้อย่างหนึงนะ่ง แคมปัสสวยใครเข้ามาก็ชม ต, ตึกนู่นนู่นนู่นนี่นี่บรรยากาศเขาเรียกว่าเพลสถาน ท, ที่ที่ทำงานเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขสิ่งแวดล้อมเขาเรียกบรรยากาศทางวิชาการทีนี้ คนจะมีความสุขเนี่ยมันจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์เ้าเรียกว่านวัตกรรมทำวิจัยอะไรใหม่ๆออกมาทำวิทยาโทนี่นะฝากไว้ในแผ่นดินน่ะที่ยังไม่เคยมีคนทำนะเราทาวิจัยเนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มอันนี้มันคืออินโนเวชั่น เราทำตรงนั้นได้เพราะอะไรเราต้องเก่งถ้าเราไม่เก่งนอะลอกเขาอะ่ะมันก็จบนะก็แกป๊ปแก๊ปตก๊ปปีนะแต่เราไม่ภูมิใจใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เสนอสิ่งใหม่เพราะเราเก่งไม่ถึงเขาบอกต้องรู้อภิธรรมและภาษาบาลีเราก็ไม่เชื่อชัดต้องรู้ภาษา จิตวตะวันตกอังกฤษแล้วก็งูงูปลปลสรุปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไงมันไม่เก่งแล้วยิ่งเขาบอต้องไปเรียนบาลีด้วยเครียดความดันขึ้นเห็นไหมความเก่งมันไม่ถึงมันเครียดยิ่งปริญญาเองต้องรู้ภาษาตะวันตกใช่ไหมบังคับอ่ะเครียดตั้งแต่วันแรกแล้ว เก่งไม่พออะบางคนเก่งทำวิจัยทำอะไรไาเก่งแต่ผลของการวิจัยเนี่ยมันไปเป็นประโยชน์ของบางคนบางกลุ่มดีไม่ดีเป็นพิษเป็นภยัยแก่สังคมทุกใจอีกได้เงินเยอะแต่ไม่มีความสุข ไปทำวิจัยตัดคอหมาอยู่เลยข้าแมวข้านกเลยโอ้ยปานาที่ปาตาต่ตัดไปเชือดไปอย่างเงี้ยเราบาังเอิญเราต้องไปทำตรงนั้นเหรอสมมติมันไม่มีความสุขและมันก็ไม่ดีเพราะมันไปทำลายชีวิตในสิ่งที่เรามองว่ามั น, มนผิดศีลธรรม เก่งถึงแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นประโยชน์แก่สังคมมันไม่ดีไม่ภูมิใจเพราะฉะนั้นมันก็ขาดความสุขใช่ไหม <c oughs> เก่งดีมีความสุขมันไม่ใช่พูดเล่นนะในชีวิตจริงเรานีแหละพุทธจริทยาต้องศึกษาออกมาว่าองค์ประกอบของเก่งดีมีความสุขในชีวิตมันคืออะไรสำหรับตัวเรา คนที่พอเพียงมันคืออะไรของสังคมไทยมันคืออะไรในโรงเรียนที่เราไปพูดว่าเด็กต้องเก่งดีมีสุขอ่ะพูดกันเป็นนกแก้วนกขนทองเด็กทํากิจกรรมอะไรแล้วว่ามันเก่งเห็นมันไม่เก่งมันสอบพีซ่ามันตกทุกทีเลยเด็กมันก็ทุกสิแงติดวิทยนะ์คณิตอะไะโดน ด, ด่ายอยู่นั่นแหละพอไม่เก่ง มันก็แล้วก็ไม่รู้เรียนไปทำอะไรมันดีตรงไหนและมันเป็นประโยชน์แก่ใครตัวเองก็ไม่ภูมิใจไม่มีความในสุดทุกแต่ทั้งทุกทุกท่ ท, ทั่วประเทศอะไรอย่างนั้นหรืมีสุขอยู่แต่หมูป่าเท่านั้น <c oughs> ฉะนั้นเราก็มาดูว่า คำนิยามมันคำว่าดีก่อนนะเก่งนี่เดี๋ยวใครพูดดีมันต้องเป็นประโยชน์คำว่าสับรุษปแปลว่าอะไรคนดีคนดีคือคนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เกื่อกูลเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีเนี่ยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่าที่ความเก่งของท่านมี เป็นครูชนบทก็สอนเด็กยี่สิบคนก็อพอมีความสุขเลยเป็นโคต้ตก็หมูป่าสิบสองตัวอย่าให้มันตายในถ้ำแฮปปี้แล้วมันเพราะฉะนั้นการที่ชีวิตเรามีคุณค่าเป็นความดีนี่แหละมันเป็นฐานของชีวิตถ้าหากว่าเรามีเงินมีทองถามหน่อยเถอะ เพราะมันเกินไอจุดอิ่มตัวเนี่ยไอส่วนเกินเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปพอกผูนเพื่อที่จะให้ร่ำรวยล้นฟ้าแข่งกัอื่นเนี่ยไม่ใช่คนดีแหละมันต้องเอาไปตอบแทนแก่สังคมเป็น c ี r สาเป็นจิตอาสาเป็นอะไรต่างตอนนี้สังคมจิตอาสาคือสังคมสร้างคนดี และเราจะเห็นเรื่องของหมูป่าเป็นจิตภาษานานาชาติการทำความดีมันทั่วโลกแล้วและทุกคนภูมิใจไม่มีใครอยากจะมาเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงอะไรกันเพราะไม่หวังผลตรงไหนแต่เขาภูมิใจอย่างที่ฝรัง่งเขาบอกว่าเขาเครซี่ในการว่ายน้ำลึกเกินเขาปุ๊ทำไมเขาชอบดำน้ำพอมาถึงเวลาวันหนึ่งเขามาพบเด็กเป็นคนลวเขารู้ละนี่นี่คือมิชชั่นออฟมายลน์ฉันถูกฝึกมาเพื่อตรงนี้ แค่นี้มันก็มีความสุขกลับบ้านแล้วชีวิตมันมีความหมายการเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเราทำอะไรเพื่อตัวเองเขาเรียกตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังที่เรามาเรียนกันเนี่ยเรียนเพื่อตรงนี้เนี่ยเพื่อตัวเองเนี่ยเขาเรียกตัณหาแต่ถ้าเรียนเพื่อนคนอื่นเพื่อส่วนรวมเขาเรียกฉันทา เส้นแบ่งไอตัวฉันทะกับตัิหามันเป็นความอยากเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าอยากเพื่อสนองความอยากตัวเองเราเรียกตันหาการมาตันหาเพราะว่ตันหาวิภวากัตติหาน่ะแต่ถ้าเป็นความอยากเพื่อประโยชน์คนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อส่งเสริมให้คนอื่นมีความสุขเขาเรียกฉันทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวฉันทะเป็นตัวโมติ v a t e เป็นแรงกระตุ้นเนี่ยเราจะไม่เป็นโรกจิต เราเรียนเราเรียนเพื่อเอาไปสอนไปช่วยคนใช่ไหมเรียนปริญญาโทเนี่ยปริญญาเอกเนี่ยไปช่วยคนกับเรียนเพื่อที่จะไปเพิ่มวุฒิมันเครียดต่างกันนะเพราะว่าถ้ามันไปเพิ่มวุฒิเพิ่มตาแหน่งไม่ได้เรียนไม่จบมันจะเครียดแต่เรียนแล้วเอาไปช่วยคนช่วยได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็ความเก่งฉันมีแค่นี้มันจะไม่เครียดเพราะเราเรียนเพื่อคนอื่น <_ d idd ick> เห็นัน้มแรงจูงใจเนี่ยมันให้ทุกให้สุขต่างกันถ้ามันสัมพันธ์กับ อ, อีโก้อัตตาส่วนความตัวกกของกูะไรมนันทุกและมันเป็นตันหรแล้วปฏิบัติทะเราบริจาคเงินเนี่ยก้อนโตเพื่ออะไร <_ d ick> เพื่อให้เขาประกาศขึ้นปายโฆษณาแล้วเขาไม่ประกาศเขาใส่ชื่อผิดสะกดผิดทุกไปทั้งปี ไม่ติดป้ายพิษเอาเป็นเอาตายกับบริจาคห้องนี้ทาห้องนี้ให้คนมานั่งเรียนห้องอรียมรรคเนี่ยนะเมื่อเรียนมเยนะมเื่อไรเรามีความสุขเมื่อนั้นเขาจะประกาศไม่ประกาศเป็นไม่เป็นไรมีความสุขนี่คือฉันทักพุทธจิตวิยาเขาศึกษากันอย่างนี้และมาทำให้ชีวิตงดงาม ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่อะไรก็มี motivation m ม t i o n แต่มันมีขอพูดมันจะมี motivation ฝ่ายบวกฝ่ายลบมีตัณหามีฉันทะมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาเอาเป็นว่าคนดีมีแรงจูงใจเพื่อประโยชน์สุขของตนของมันมีสามอย่างนะอันตัณาประโยชน์ตนปรัฐญาประโยชน์คนอื่นและก็อุปยถาประโยชน์ส่วนรวมเอาทั้งสามอย่างเขาเรียกคนดี ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเก่งเนะี่ยเก่งนี้ก็คือความสามารถที่ว่ามาเนี่ยเราก็รู้กันมาถึงคนดีแล้วทีนี้มีความสุขคืออะไรมีความสุขคือสมาธิอา น, นิสงส์ของสมาธิภาวนามันมีสี่ข้อเราเอาข้อแรกก่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเขาเรียกทิฏฐธรรมะสุ ข, ข่าวิหาร ทำงานเป็นสุขเรียนเป็นสุขมีความสุขตามสภาพสุขทุกเวลากลับได้ยาณทัศนะที่สูงขึ้นมีสติสัพพัญญาที่อยู่ในปัจจุบันอันนิดก็ได้หรือสิ้นอาสวะมันก็สูงขึ้นไปเลยแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าอยากเป็นสุขเก่งเก่งก็คือความสามารถที่เราคลุณศักยภาพของสติปัญญาของเราที่จะ หาความรู้ความสามารถนี่เราต้องเพิ่มแล้วดีคือต้องคิดทําประโยชน์คนอื่นแรงจูงใจต้องเป็นฉันทะส่วนมีสุขต้องมีสมาธิกับเรื่องที่กําลังเรียนกําลังทําถ้าเรากําลังเรียนพุทธจิตวิทยาแต่เราไม่มีสมาธิในห้องเรียนในการเรียนเราก็เรียนไปแก่นแล้วอาจจะทุกข์ เราไปสอนเด็กห้าคนเพราะคาดหวังจะไปสอนโรงเรียนมหาวิทยาลัยแต่เขาให้มาสอนเด็กเล็กๆหคนใจเราไม่อยู่ตรงนั้นเลยไม่มีสมาธิเรามีความทุกข์เทศเนี่ยสาวันมีแต่คนแก่แกนั่งหลับอะ่ะมันไม่มี motivation พอลเฮลไม่มีความสุขแต่ถ้าคิดว่าอยู่เป็นเพื่อนคนแก่นะ ให้เขาได้เ <watering>, ห็นผ้าเหลืองก่อนจะจากโลกนี้ไปไดุ้ญแล้วท่านไปเยี่ยตะโลพยาบาลเน่ยนอนพังงาพังาอยู่ก็ได้ผลแล้วมันต่างกันเลยนะชะวิตและความตายอ่ะเขาเรียกอะไรกีฬานะอะไรกีฬานธรรมเห็นไหมมีความภูมิใจมันมันไปคิดคนละอย่างแต่ถ้าคิดประเทศแล้วมันมีการเทศมีอะไรต่างวันนี้ทำไมมันน้อยเหลือเกิน ทุทุกๆมันพลิกนิดเดียวเลยพอเราพลิกจิตเราจะมีสมาธิถ้าเราคิดผิดสมาธิมันไม่เกิดสมาธิคืออะไรสมาธิเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรามีความสุขในการเรียนในการทำงานในการครบทุกอย่างที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะต้องทำด้วยสมาธิมันจะเป็นพุทธจิตวยอย่าง เพราะเราเมาือมาทดลองในห้องเรียนเลยสองปีไม่ใช่สองปีแห่งความทรมานมเมื่อไรจะจบแม่เรียนแล้วไม่อยากจบห้าปีไม่ไล่ก็ไม่จบเออมันก็มาไปหน่อยไม่รูว่าเอาตก็กำหนกันแล้วกันมันส่งเกินเออคนอื่นก็จะต้องมาเรียนบ้างนะมันยั่งที่เขา <c oughs> พี่เราสนบากไม่เคยจบหรอกโยมนี่เขามีเวลาเขาหลาพระรนี่เขาไม่มีความสุขเหลือเกินนะ <c oughs> บอกกันไว้ก่อนนะ เดี๋ยวอาจารย์เขาจะต้องไปเป็นแอดไวเซอร์ให้คนอื่นบ้างมันต้องไล่ๆจบๆกันไปอย่ามาเสวยวุติสุขนาน <c oughs> <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่าทําไมสมาธิทําให้มีความสุขเก่งดีมีสุขเนะ่ะชีวิตคนดงามเมื่อกี้เราพูดเรื่องเก่งคือความสามารถเลยนะดีนี่ต้องมีมีฉันทักษือเพื่อประโยชน์คนอื่นแล้วสุขอยู่ตรงไหนสุขมาจากสมาธิ ถ้าเราทำกิจกรรมด้วยฉันทะเราจะเกิดสมาธิและสมาธิมันทมให้เกิดความสุขเป็นสมาธิชํ่ปีติสุขังปีติสุขเกิดจากสมาธิเรามาเรียนพุทธวิญญาณเราต้องได้ประสบการณ์อ่างนี้ทำไมปีติสุขเกิดจากสมาธิมันคืออะไรถ้าเราเรียนพุทธวิญญาเป็นโพสต t i ด็ิ p s y c h o l o g y เราจะพบตรงนี้และเราจะเอาตรงนี้แหละไปแบ่งปันคนเปลี่ยนสังขงไทยคําแรกคือคําว่าสมาธิแเขาเาขรียกเอกกัตตาคิดเรื่องเดียวในทางพิธามเขาเรียกเจสสิกจิตเนี่ยมันจะเป็นเอกกัตตาคิดเรื่องเดียวมันไม่สามารถเอกกัตแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่าเรื่องสำคัญ มันไม่สามารถคิดสองเรื่องในเวลาเดียวกันในขณะเดียวเวลาเราคิดถึงไมโครโฟนอยู่มันอยู่ที่ไมโครโฟนเนี่ยเราจะไม่คิดถึงคอมพิวเตอร์เราจะไม่คิดถึ ง, computer, ถงอย่างอื่นพอเราคิดถึงคอมพิวเตอร์เราจะลืมไมโครโฟนนะมันเป็นคิดเรื่องเดียวโดยธรรมชาติของมันทีนี้เคล็ดลับง่ายๆคือว่าเราพยายามให้คิดเรื่องเดียวยังต่อเนื่องห้านาทีนั่นคือสมาธิ แต่ในทางปฏิบัติจิตเราจะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เดี๋ยวไมโครโฟนเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มันหลายเรื่องเพราะมันหลายเรื่องเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ไม่เกิดสมาธิต้องฝึกรวมพลังแสงแดดให้มันไปที่เดียวแล้วมันจะลุกไหมเขาจึงบอกว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดไอโฟกัสใช่ไหมเรารวมแสงเข้ามาเนี่ย ไม่กระดาษไม่ใบไม้ได้เพราะพลังความคิดมันรวมที่เดียวมันจะละลายปัญหาได้แก้ปัญหาได้งานวิจัยอะไรต่างที่มันคิดไม่ออกเนี่ยถ้าเราเราดมไปที่เดียวกันนั้นมันติดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทะลุหมดเลยเพราะพลังสมาธิและพลังสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาที่สำคัญที่กาลังพูดคือนอกจากปัญญาแล้วมันจะมีความสุขเลย มันเป็นอานิสงส์มันเป็นผลคือเรามัยากยันนึกอย่างเดียวว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญาแต่สมาธิเนี่ยทำให้เกิดความสุขจตวิยาที่ศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็น positive psychology สมาธิมันมีสองอย่างเขาเรียกสมถะ A กับวิปัสสนาพูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าพยายามให้อยู่กับเรื่องเดียวนะคิดอยู่เรื่องเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยมันก็เป็นสมถกรรมฐานเช่นกำหนดลมหายใจเป้าหมายของสมถะกรรมฐานคือใจมันว่างว่างจากปัญหาทั้งหลายพอเราคิดเรื่องนี้เราจะลืมปัญหาหมดเลยเพราะมันปูกฝึกให้คิดอยู่เรื่องเดียว คือไม่คิดอะไรเลยเขาเรียกสมถะ ม, มันจะสงบแต่มันมีกรรมฐานอีกแบบหนึ่งเขาเรียกวิวปัสสนากรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคิดอยู่ในกรอบกรอบเดียวยาวหลายเรื่องคิดไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ให้ระดมอยู่ตรงปัญหานั้นเหมือนกับเราคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาพุ้อะไรวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งในเรื่องนั้นนั้น เห็นแจ้งในนึงน no ั้นก no ็คือมีปัญหาอะไรแก้ไขได้ถ้าเราจิตว่างเป็นสมถะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าเราไม่ทุกข์เข้าฌานนานตั้งเดือนไม่เคยเลื่อนเคลื่อนกายหยาถือศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกข์คืนวันเราผาสุขเราอยู่ได้ถ้าเราไม่มีความคาดหวังไม่มีอะไรสมมติว่าจะเป็นเด็กติดอยู่ในถ้า ไม่มีกังวลไม่มีอะไรคือไม่คิดนั่งกรรมฐานลมหายใจอยเงี้ยใครจะมาช่วยช่วยไปคิดไม่กังวลอันนั้นมันเป็นสมถะแต่ถ้าคิดว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรจะกินน้ำที่ไหนพลัดประหยัดพลังงานอย่างไรหนาวขึ้นมาจะต้องขุดหลุมอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันเอาดินข่มแทนอะไรยังไงอันนี้มันเป็นวิปัสสนาแต่อย่าไปคิดนอกถ้ำว่าจะได้ออกเมื่อไรมันจะฟุ้งซ่าน เพราะฉะนั้นวิปัสนามรรมคือการใช้ปัญญาเนี่ยอย่างมีสมาธิอยู่ในวงจำกัดเราทำวินิผลเนี่ยถ้าเราคิดอยู่ในกรอบของเราเมันจะระดมพลังไปทำวินิผลจบเพราะสมาธิแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิสมมติทำเรื่องฝนแรงอยู่ดีๆอ่านไปอ่านมาไปเจอเรื่องน้ำท่วมเลยไปเรื่องน้ำทว่วมอีก นี่เขาเนี่ยไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราอยู่ในขอบเคยค้นในอินเทอร์เน็ตไปแล้วมันจะมีลิงก์กันไปเรื่อยๆนะบางทีลืมเลือกไปโยกแรกที่เราจะหามาเรื่องอะไรใช่ไหมมันให้คำนิยาไปรูดไปที่เขานั่นแหละไม่มีสมาธิสมาธิมันจะอยู่ในเรื่องเดียวตรงไปสังเกตไหมตั้งแต่พูดมาเนี่ยมันเลื่องเดียวนะมันต่อกันมาตลอดเลยตั้งแต่ พุทธ จ, จิตวิทยาจิตวัญจะมันตกมีสองอย่างนิ่งติโพสิทีฟโพสิทีฟไทคอโลจีเป็นยังไงเก่งดีมีสุขมันมากันอยู่ในเรื่องเดียวนะถึงจะพูดเรื่องหมูป่ามันก็อยู่เรื่องนี้แหละไม่ใช่พอหมู ป, ป่าเาล่าเรื่องหมูป่าเนี่ยเป็นยังไงเลยลืมจิตวิทยาไปเลยอะ่ะไหพวกไอพวกนักเทศยันใสอะ่ะตั้งบาลีอย่างนี้เนะอะอธิบายไปไหนหาที่ลงไปเจอถ้าไม่มีสมาธิเห็นไ มันจับประเด็นไม่ได้การที่จับประเด็นได้เนี่ยคือสมาธิแล้วเอาความรู้มาร้อยเรียงเนี่ยมันคือวิปัสสนาในชีวิตจำหวัดนแต่ถ้าเป็นสมถะคือไม่คิดอะไรเลยนั่งเฉยๆมองตาปิ๊ปปอันนี้พูดอย่างง่ายๆลึกซึ้งก็ไปว่ากันเองทีนี้ มาถึงประเด็นที่ว่า <c oughs> ในทางจิตวิทยาเขาทำวิจัยทำไมมันเป็นเอกขตตาในในทางู้ทธจิตวิทยาในทางจิตวิทยาในทางคำพูดสนาไม่ได้อธิบายเอาแต่ความเป็นจริงว่าขณะจิตเดียวเนี่ยมันคิดได้หนึ่งเรื่องมันคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้แต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาใช้นิวโรโลจีประสาทวิทยาใช้ อ่า EEG แทแ่งต่างเนี่ยทดสอบแล้วเหตุที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรไี่ตรงนี้แหละที่ทําให้มันเป็นจากที่พูดเรื่องเรื่องจิตวิญญาณทางพุทธศาสนามาเป็นเอ่อมาเรื่องเรื่องพุทธธรรมเนี่ยนะเรื่องเรื่องอริธรรมเนี่ยมันเป็นพุทธจิตวิญญาก็ตรงนี้แหละเอกกัคตาคิดเรื่องเดียวเนี่ยมันคิดหลายเรื่องต่อขณะเดียวไม่ได้เนี่ยเพราะธรรมชาติของจิตมันรับรู้อารมณ์ อารมณ์ังจินเตติติตจิตตังเจนคือสิ่งที่คิดอารมณ์คําว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกคิดนะ่ยไม่ใช่อารมณ์ความฟีลลิ่งนะเช่นตาเห็นรูปนี่เขาเรียกลุปรมณ์หูฟังเสียงเขาเรียกสตารมณขณะที่จิตเกิดหนึ่งขณะเนี่ยอารมณ์คือสิ่งที่เป็นออบเจกต์ในการรับรู้เนี่ยนะมันเป็นอินฟอร์เมชันถูกไหมเสียงที่เข้าหูท่านเนี่ยจิตท่านต้องรับรู้เสียงตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอินฟอร์เมชัน เป็นข้อมูลข่าวสารในทางวิสารเขาเรียกว่ามันเป็นหน่วยของข้อมูลข่าวสารในคอมพิวเตอร์เขาเรียกภาษาว่า bit บิตกิบบิตมันรวมเป็น1คํางคำก็ว่ากันไป น, น, น, นั้นเป็นราละเอียดแต่บิตหนึ่งเนี่ยมันมีเท่ากับเลข2หลักเลขศูนกับเลข1 ห, หน่วยเล็กที่สุดเลยแล้วถ้าเรามาคิดเป็นคําพูดเนี่ยมันจะคําแต่และคามันจะมีกิบบิตแล้วเราไม่ต้องไปนสนใจเดี๋ยวมันก็จะไปนอกโพสติฟ์ไซโคลจี เอาสมาธิอยู่ตรงนี้อย่าไปฟุ้งซ่านสรุปแล้วในทางวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียนแบบเนี่ยเราล้ำข้อมูลเป็นบิตหน่วยย่อยที่สุดวัดแล้วนะในทางวิทยาศาสตร์วันแล้วโดยคนชื่อมิฮารีกับชื่อโรเบิร์ตลักโรเบิร์ตแล้วกัเขาแยกกันทาแต่มันผลมันตรงกันหนึ่งเซันหนึ่งวินาทีเนี่ยตอนที่นั่งอยู่เนี่ยนะ จิตของท่านรับข้อมูลได้ไม่เกิน120บิตต่อวินาที120นะเนี่ยอินโฟเรเมชันโปรเซสซิงเนี่ยความสามารถของจิตในการโปรเซสข้อมูลฟังรู้เรื่องเนี่ย120บิตต่อวินาทีเวลานั่งฟังเสียงพูดเนี่ยนะ จะฟังประโยคให้รู้เรื่องหนึ่งขณะจิตเนี่ยหนึ่งวินาทีนี่มันสั้นมากเลในหนึ่งวินาทีที่ท่านฟังรู้เรื่องเนี่ยใช้ข้อมูลเพื่อฟังอาจารย์บรรยายตอนนี้ข้อมูลที่จะฟังรู้เรื่องต่อวินาทีเนี่ยคือหกสิบบิตที่ฟังจะรู้เรื่องตอนนี้หกสิบบิตทีนี้ต่อวินาทีหกสิบบิตเรารับเราถึงฟังรู้เรื่อง ถ้าเกิดว่ามีคนเอาข้อมูลมาให้เราพร้อมกัน120ปิดเนี่ยมันมันฝังยากมากเลยเพราะมันเกินศักยภาพของจิตเขาเรียกว่าพร้อมกันในขณะเดียวกันเนี่ยจิตมันรับรู้ได้เพียงหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าถ้าคิดถึงไมวยผสมจะคิดถึงไอ้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เราพยายามคิดถึงสองอย่างนี้มันยากมากแต่มันจะมีถูกบังคับให้รับพร้อมกัน ตอนคนมาแย่งพูดใส่หูสองข้างไอ้ไอคนนี้ก็กินไปหกสิบบิทไอ้คนนี้ก็หกสิบบิทสมหมอโอนเลยนะมันจะระเบิดไล่ดานเลยนะเรากำลังพักอยู่ดีๆนี่ก็มาพูดแข่งอย่ากพวกเล่นตลกกันนะแล้วเหมือนพูดนำหนูหนาหนูนาหนูนาเราก็จะหนูนาตาม <laughs> ใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันมันมันยี่สิบบิทเรารับได้ต้าหนึ่ง ที่จะฟังรู้เรื่องเนี่ยหนึ่งวินาทีสองคนมาพูดแข่งกันเนี่ยมันจะท่อนกระแท่นเพราะมันแย่งพื้นที่เต็มร้อยี่สิบิตละพอร้อยี่สิบบิตเราฟังได้สองคนสามคนเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามาพูดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครฟังไทยอช่ไหมมันแย่งกันพูดเลยฉันแกก็จะพูดฉันก็จะพูดมันก็เลยล้น สัทธวนความสา ม, มารถของจิตที่จะรับรู้อารมณ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราทักนั่งกับประธานก็คือปล่อยให้จิตมันอยู่กับอารมณ์เดียวหกสิบบิตรู้ว่าเช่นมองกำตงหนดลมหายใจเข้าก็รู้ถ้าลมหายใจเข้าเราจะรู้มันจะต้องนั่นน่ะแสดงว่าเรามันมีข่าวสารหกสิบบิตไปถึงจิตแต่เรานั่งอยู่หายใจไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเราก็หายใจนะเพราะว่าเสียงมัน กินพื้นที่ไปหมดแล้วไอ้ที่นั่งอยู่นี่หายใจว่าปะเนี่ยหายใจแต่เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทางคิดเราไปวิ่งตามเสียงผู้บรรยายกินพื้นที่ไม่ใช่แค่หกสิบเนาะบางทีฟังหูมันยากหรือเปิ่ปีนฟังเนี่ยร้อยี่สิบก็ยังฟังไม่รู้เรื่องกั น, นะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะมาบิดบิดแบดแบดอะไรเงี้ยนาะอุ้ยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีก และในขณะที่เราใช้พลังจิตเพื่อฟังข้อมูลเนี่ยเซล์ในร่างกายเนี่ยมันใช้พลังงานเพราะฉะนั้นแค่ฟังก็เหนื่อยเพราะมันมันมีในการฟังเนี่ยจิตมันทำงานเรียนจบไปสองยีงโมงนี่แทบจะหามตับเลยนะฟังก็ยากเขาโอ้ทำไมมันยากมันเย็นเหลือเกินวันนี้เลยนะอันนั่นแหละ เ, เป็น เ, เป็นวิธีรักษาตัวเองไว้ซ้อมไว้ก่อน เสร็จแล้วนะพอเราไปทุ่มเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยยต่อเรื่องหกสิบปิดเราไม่เอาเรื่องอื่นเลยเนะี่ย <c oughs> จิตเราจะตามเรื่องเดียวนั่นคือสมาธิไม่ยอมให้ยังอื่นเข้ามาแทรกข้อมูลข่าวสารอื่นเข้ามาแทรกให้มันอยู่ในกรอบเดียวกันเนะ่ะอย่างเช่นทาวิจัยเรื่องนี้ก็อยู่เรื่องนี้ทําเรื่องนั้นก็อยู่เรื่องนมันก็จะทําให้เกิดปัญญาเอาละความสุข ม, มันอยู่ตรงไหน ความสุขมันอยู่ตรงที่เวลาเราไอ้จูนไอ้หกสิบบิตหรือน้อยกว่าหกสิบบิตอยู่ในเรื่องเดียวเนี่ยเกาะอยู่กับเรื่องเดียวมันลืมปัญหาอื่นๆความกังวลอะไรต่างมันไม่ได้ตามมานะยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราชอบเราก็จะอินอยู่กับตรงนั้น ตอนที่เราดูเรื่องออเจ้าครั้งแรกตามเรื่องนง่มันเป็นสมาธินะสมาธิที่มันตามไปมันทำให้เกิดความสุขจึงไม่แปลกที่คนดูทีวีเนี่ยมีความสุขในเรื่องที่ตนชอบมันมีสับแสงที่ฟังไม่รู้เรื่องภาษาโบราณอะไรต่างเนี่ยมันท้าทาย แต่ถ้าไปดูรอบสองันแหละหลับแล้วหลับอีกเห็นความสุขมันลดลงเพราะมันไม่มีสมาธิในชีวิตจริงของเราเรื่องไหนที่เราทำอย่างมีสมาธิคือมันอินอยู่กับเรื่องนั้นจิตมันผูกอยู่กับเรื่องนั้น เรามีความสุขเวลาหมดไปเร็วอ่านหนังสือที่เราชอบบางทีไม่นอนนะเรื่องที่ตัวเองชอบมันใจมันถูกอยู่กับเรื่องนั้นจนจบเกือบสว่างคงชื่อบอกว่าอ่านหนังสือสามวันสามคืนไม่ได้กินได้นอนก็ยังเคยสมาธิ คนที่เล่นดนตรีเขาเบาลรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป่าขลุยไม่ว่าสีซอในวงใหญ่ๆเขาเกือบไม่ได้ยินเสียงดนตรีคน อ, อื่นเขาอยู่กับของเขาเนี่ยแต่มันจูนเข้าเนี่ยเพราะมันเป็นจังหวะที่มันมือมันพริ้วไปโดยจังถ้ามวัวใ่ไปฟังคนอื่นเล่นได้มเห็นไในออเคสตราวงใหญ่ๆ ต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างบรเลงอยู่ในหน้าที่ตัวเองมันประสานกันหมดลแล้วกลายเป็นความไพเราะงดงามคนที่ฟังก็มีความสุขคนบรรเลงก็มีความสุขบางครั้งที่เราไปสวมดมนต์ มาจากคนละวัดแต่ว่ามันสวดเข้ากันพร้อมกันเน่ยสวดแล้วมีความสุขนะบางทีอยู่วัดเดียวกันนะเนรกับไปทางพระกับไปทางเป็นชาววัดหันไปมองหลรอนก็ยังไม่ยอมอยู่เลยแล้วสวดไม่มีความสุขเลยนะเห็นการที่มันไหลลื่นเราเรียกว่ภาวะไหลลื่นน่ย มันให้ความสุขถ้าเราเข้ากระแสนะลองสิเวลาเขียนวิทยผลเนี่ยนะถ้ามันยังจับจดนั่งไม่ลงยังเขียนไม่ได้นะี่มันทุกขนะ์นี่ยแต่พอเขียนไปได้เขียนบทความเลยต่างๆมันไหลลื่นเลยเนะีมันมาเป็นกระแสเลยไม่อยากให้ใครมาขัดจังหวะมันจะไหลหลังออกมา คนที่เขียนงานเด็ดๆเนี่ยใช้เวลาไม่มากเลยาเขาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนมันพลั่งพรูออกมาซึ่งมิฮาเีเรียกว่าเดอะโฟล์หนังสือวิอกิเอดอันเดียวกันนัที่พูดแต่จริงๆมันเป็นสมาธิในพุทธศาสนาที่พูดเนี่ยเป็นเป็นพุทธนะแต่เขาเอาเรื่องเนี้ย ไปเป็น POSITIVE PSYCHOLOGY เรียกว่า The Flow แต่อย่าไปสนใจกันเลยนี่พูดแบบพูดเนี่ยที่พูดเนี่ยเมื่อเมื่อมันไหลทั่งพลูดไม่มีกระตุกเวลามันจะผ่านไปเร็วเมื่อเช้าเนี่ยนั่งนั่งเตรียมอะไรสักอย่างความคิดมันกำลังเป็นกระแสอมผ้าหวาน ต้องสารภาพเมเตรียมพูดเรื่องเกี่ยวกับ r e g e n e r a t e ร e เ e นเวอเรตตีเบติเป็นสากลความคิดมันมันใช้เยอะเขาพูดระดับนานาชาติกะว่าเดี๋ยวจะไปลงบทปฏิมโมกข์ <c oughs> <c oughs> สักหน่อยบอมสักหน่อยทำนิดเดียวน่ะพอมาดูในการ <c oughs> เขาปิดบทไปแล้วน <c oughs> <c oughs> นี่ต้องสารภาพ ไม่ได้ตั้งใจจะหนีปฏิโมกเลยแต่ความที่มันมันอินน่ะไปของมันเป็นกระแสมันมีความสุขมันสร้างสรรในขณะที่เราเตรียมพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อประโยชน์คนอื่นเกณฑ์ของคนดีเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเรา เราทําเพื่อคนอื่นให้คนอื่นเขาได้ปัญญาเวลาเราเขียนหนังสือนี่ถ้าเราเขียนเพื่อขายเนี่ยนะเมื่อไรก็ได้เป็นเล่มๆเมพราะฉะนั้นศิลปินที่วาดภาพในสมัยก่อนครัวอินโคงอะไรต่ า, างๆเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินเพื่อประโยชน์ ต, ตนเองชื่อยังไม่เซ็นเลยตามภาพฝาผ น, นังนะครับเขาเขียนด้วยจิตเต็มร้อยอินอยู่กับตรงนั้น เพราะทำที่วิญญาณศิลปินเนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรประโยชน์อะไรมาสอดแทรกมันจะเพื่อสร้างภาพที่งดงามให้คนได้เห็นแล้วจะลงใจเกิดศรัทธาในพระศาสนาเพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่อ่ะเป็นสปริช่วงเพราะฉะนั้นตัวตนมันหายไปนะมันรวมอยู่ในภาพไปเลยนะศิลปินเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขคนอื่น และมีสมาธิเขามีความสุขและความสามารถเขาถึกด้วยไอ้มือใหม่หัดขับไปว่าไปทำๆดูสิโ อ, โอด่าตัวเองอย่างนั้นเลยไม่มีความสุขความสามารถความเก่งต้องพอด้วยถ้าเราเก่งพอและมันเป็นประโยชน์คนอื่นและมันยากท้าทายทำทง่ายๆมันก็หลับตาทำมันก็เบื่อสิ เราต้องเลือกที่มันท้าทายสิ่งใหม่เขาเรียก น, มนามว่าตกรรมวาดภาพไปที่ที่ไม่เคยมีคนวาดมาก่อนโอ้ใช่ไหเรารินึกถึงหัว อ, อกคนเหลนี้เรานึกถึงหัวอกคนที่หล่อพระพุทธชินาราชสมัยนี้มีคอมพิวเตอร์ก็ยังทําไม่ได้เพราะมันทำได้ใจเรานึกถึง เลオนาโดดาวินชีที่วาดภาพโมนาลิซาในโมเมนต์ที่เขาวาดมันเท่ากับรวมเป็นหนึ่งกับภาพเลยนะมันคือสมาธิมันคือโฟล์ดและและทำใหม่ก็ไม่ได้นะให้ทำแบบนั้นใหม่อะไรใหม่เนี่ยพอมันพดจบนั้นไปนแล้วไม่ได้เวลาพูดบางอย่างในพูดดีดีพูดซั้ําเลยสิเวลา ได้บันทึกาไมันม่ได้บันทึกโหหมดกันเห็นไหมเมดียวหน้าดดาวินชีเนี่ยวาดภาพโมนาลิซาจะไปดูให้เห็นต้นฉบับหน่อยไปที่พิพิธภัณฑ์รูสองครั้งครั้งแรกไม่เห็นอะไรเห็นแต่หัวคนที่มาเที่ยวพระ ก, ก็จะอยู่ข้างนอกอย่างนโอ้เขาก็จะปิดล้ะ หลายปีนอามาเข้าไปไปดูจนได้เห็นแค่นั้นพอใจแล้วเอามาพูดได้ล่ะไม่มีอะไรหรอกมันก็เหมือนกับที่เขาถ่ายภาพมาเพราะตาเราก็ไปดูไปเป็นมันเหมือนกันของจริงของปลอมแต่อย่างน้อยคุยได้ไปดูมาแล้วออริจินอลเมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิ จิตมีความสุขอันนี้พูดกันในเทศสอนกันมาเป็นปกติอยู่แล้วแต่จิตวิทยาโพสตเชิญบ่วงเขาทำอันนี้พูดในเชิญพูดก่อนคืออิทธิบาทสีนั่นแหละที่ว่ามานี่คืออิทธิบาทสีเมื่อเรามีฉันทะ ในการวาดภาพในการหล่อพทธรูปเดี๋ยวนี้มันทำเพื่อธุรกิจใช่ไหมมันสุกเอาเผากิจแต่ถ้าทำด้วยฉันทะเพื่อที่จะให้คนได้มากราบไหวบูชาฝากไว้ในแผ่นดินเนี่ยฉันทะคือเจตจํานงไม่ใช่เพื่อตอนเองแต่เพื่ออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมันจะเกิดวิริยะความท้าทายทำไอสิ่งที่มันยากสักหน่อย วิริยะแปลวล่าเวีระมันจะคาวีระแปล ว, ว่ากล้ากล้าอันี้เริ่มกล้าสิ่งใหม่กล้าทํานวัตกรรมไอ้ที่คนไม่เคยทํากล้าทําเลือกทําวินญญธ์ที่มันทา้าทายนี่คือวิริยะแต่ไม่ใช่ทําเพราะแรงจูงใจเพื่อประโยชน์คือตัณหาต้องเป็นฉันทะจิตตาก็คือรวมพลังอยู่ในกรอบนั้น เช่นทำเรื่องสมาธิก็อยู่แต่เรื่องสมาธิอย่าเอาไปเรื่องโรคจิตโรคอะไรต่างเขาเรียกว่าจิตตกรอบของความคิดส่วนวิบัรสาก็หมายความว่าพยายามตอบโจทย์ต่างๆให้อยู่ในกรอบก็คืองานวิจัยทั้งหลายนั่นเองวิบรรสาแล้วมันจะเกิดผลงานที่เลิศ ที่เป็นเอกเพราะเราทำด้วยจิตใจและนั่นก็คือมีสมาธิเรามีความสุขความสามารถเราถึงเราเก่งพอและผลงานของเราเราเชื่อแลวเกินว่าจะเป็นประโยชน์ภยัยศาลข้อสองดีและทำด้วยสมาธิอินฟโฟ w อยู่ตรงนั้นงวดอยู่ตรงนั้น มีความสุขสิ่งที่ได้มามันก็จะเป็นเลิศโดยตัวเขามันเองเราเรียกว่าอิทธิบาทใช่ไหมละ่ะไอเ น, นี้ยสอนกันแต่ตะวันตกเขาเอาไปทำเป็นชาร์จทำให้ง่ายขึ้นเรื่องเดียวกันนั่นแหละไอที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย ซึ่งอยากจะเห็นพวกเราไปพัฒนาของเราเองแบบนั้นนี่คือตัวนี้บอให้ดูพุทธพจน์ก่อนว่าอิทธิบาทเนี่ยบันเอินฉันทสมาธิสูงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระภิกษุเนี่ยได้สมาธิคอนเซนทรชันได้สมาธิโดยวิวคือฉันทะเรียกว่าฉันทะสมาธิ ได้สมาธิโดยวิริยะก็เรียกวิริยะสมาธิสรุปแล้วก็คือฉันทักมาทําให้เกิดสมาธิวิริยะทําให้เกิดสมาธิจิตตะทําให้เกิดสมาธิเมื่อกี้ที่พูดมานั่นแหละมันรวมอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ต้องไปคิดรื่องคนละเรื่องนะเพียงแต่สรุปให้ว่าอันนี้เป็นพุทธาสนาละเมื่อมันชอบเรื่องไหนแล้วเรื่องนั้นมันท้าทายหน่อยหน่อยมันไม่ใช่ง่ายเกิดมาเรียนปริญญาโทที่นี่แล้วโอหมันเท่ากับปริญญาตรีที่เคยเรียนนลยมันเบื่อจริงไหม แต่ถ้ามันให้ความรู้มันไอมีอะไรเป็นนวัตรกรรมมันท้าทายมันเกิดวิรยิยะนะแล้วสมาธิมันตามมาวันนี้อธิการบดีมาพูดอีกนะฉันทักอะไรอย่างเรียนวิทยาศาสต่ก็้ีหลับดีกว่า <c oughs> <c oughs> มันไม่มีมุมมองใหม่เพราะไม่มีมุมใหม่มันไม่ท้าทายไม่เกิดวิรยิยะไงมันก็สลึมสลอหลับแล้วหลั บ, ล บ, ล บ, ลบอีกยากเกิดไปวิมังษาไปไม่ถึงก็เครียด <c oughs> ไม่สนุก มันต้องพอดีคือตัวฉันทักกับวิริยะความสามารถเรามันท้าทายมันพอดีแล้วขิตจากวิมังษาเราพอที่จะทําได้ใครจะทําเรื่องนี carbohyd, uh, yeah. ้ได้ต้องรู้ภาษาฝรั่งเศสอาจารย์เขาท้าทายตอนทําปริญญาเอกวิทย์บนปริญญาเอกคุณสมบเราเรียนมาได้ประโยชน์เก้าะภาษาบรีเรารู้แล้ว เทียบกับปรัชญาฝรั่งเศสของชองปอนซารอาจารย์ที่ภาษาบอกทําได้เพราะคุณรู้ภาษาบาลีแต่มันมีปัญหาว่าถึงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็ยังไม่เต็มที่นะเพราะปรัชญาของชองปอนซารมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเวลาเขียนวิริพลเขียนด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างถอดมาจากบาลี ถานมาจากฝรั่งเศสถามว่าแล้วเลื่อนฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสท่านไม่รู้จะทำไงขอไปเรียนไปเรียนฝรั่งเศสอีกสองปีได้ด <c oughs> ิโพรมาอินฟรังซึ่งคนที่มีพื้นฐานดีในภาษาอังเศษมันเรียนไม่ยาก <c oughs> เหมือนเรารู้ภาษาไทยเปเรนภาษาลาวะอะง่าย แล้วภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแตรมม่ามันเหมือนบาลีมันยากกว่าภาษาอังกฤษตรงที่มันมีเขาเรียกวีเพศภาษาบาลีมันมีเพศมีปุงลิงอิทีลิงน้ำปงสักลิงภาษาฝรั่งเศสมันก็มีโอ้ยิ่งยิ่งกว่าปอกกล้วอยอทีนี้ไม่เชื่อไปเรียนสิ <c oughs> นี่เขาเรียท้าทาย <c oughs> ก็เลยไปเรียนภาษาฝรั่งเศส <c oughs> ให้มีความเก่งพอ เรียนภาษาบาลีมาแล้วแล้วก็มาเปรียบเทียบพุทธปรัญญาในเรื่องอนัตตาของพุทธศาสนาอนัตตามันก็ยากอยู่แล้วกับเรื่องอีโก้นอนอีโก้ของชองปอนซา์ยากทั้งเรื่องยากทั้งภาษายากไรนัมันท้าทายดีมันต้องดูว่าเรามีความสามารถ บางทีมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่าไปทามันจะไม่จบทีนี้ถ้ามันพอดีกับความสามารถเราจะมีความสุขมากไม่ว่าเรื่องอะไรอย่าว่าแต่วิยญาณิบณนะ์เนี่ยนี่ไงคือสิ่งที่มิฮารีเขาทำแล้วมันอธิบายไอ้ที่พู ด, พดมาจะลองอธิบาย จากภาษาของเขาเริ่มจากสองจุดสองเส้นหนะึ่งเส้นนี้คือความท้าทายเรื่องยากเส้นนี้คือทักษะความสามารถของเราจุดนี้คือจุดต่าสุดถ้าเราเรื่องที่ท้าทายมันน้อยมันก็อยู่จุดนี้ความสามารถเราก็น้อยมันก็อยู่จุดนี้เขาเริลงถ้ามันไหลมาทางนี้ ความสามารถเราสูงแต่ถ้าทางนี้ท้าทายมันต่าสามารถสูงแต่ความท้าทายมันต่าเกิดอะไรรู้ไม่สนใจอาพาธที่ช่วยชาเรารู้เยอะหมดแล้วามาพูดป .1 อ, อย่างเงี้ยมาเรียนปริยญาเอกใช่ไหมแต่เอาความมารู้ระดับปริญญาตรีมาสอนมันไม่ท้าทายพวกเราเรารู้หมดแล้ว ตัวความสามารถของผู้เรียนมันสูงตัวสกิลเนี่ยมันก็เกิดอาพาธที่ก็คือทีนะท้อถอยเบื่อเอไม่ใช่เบื่อเียเขาเรียกว่าไม่สนใจแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะมันจุดของความท้าทายเนี่ยมันยิ่งน้อยใหญ่เลยมันก็เกิดความเบื่อ เห็นไหมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องเนะี่ยเราเห็นเส้นนี้ไหมความท้าทายสูงเรื่องนี้มันยากนะทำยากแต่บังเอิญว่าคำว่าทำยากคืออะไรอย่างเช่นเราเราไปเสนอ เขาเรียสัมภาษณ์งานที่ได้เงินเดือนสูงซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาสูงแล้วเงินเดือนมันสูงเราอยากได้จบทีเนี่ยเขาเอาแค่ปริญญาโทความรู้ปริญญาโทเป็นสั์แข่งแต่ตำแหน่งมันดีแต่เราจบปริญญาเอกรู้ภาษาอังกฤษจากนอกมาอย่างดี เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าหลับตาทำได้มันก็เกิดเขาเรียกว่าความสามารถเราสูงใช่ไหมมันก็รีแลกซ์เช่นสบายสบายชิวชิวมาเรียนมาเรียนเอกพุทธจิตวิทยาเนี่ยบาลีก็ได้ไประโยคก้าภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วมันจะมีปัญหาอะไรภาษาไทยก็รู้เรียนสบายสบายแต่ถ้าเกิดว่า ปริญาเอกมันเป็นดีกรีที่สูง a l l e n g ์ Challenge, ใช่ไหมแต่ความสามารถเราต่ำความสามารถเราอยู่แค่นี้มันก็จะเกิดอันนี้แอ x i e t ตีกังวลเพราะว่ามันอยู่ในขอบเขตที่ความสามารถเราสกิลเราน้อยใช่ไมมาแค่นี้มันไม่พอแต่เรื่องมันยากกังวล น, นอนไม่หลับ ทำไมเราจะต้องมาเรียนที่นี่เนาะด่าไอ้คนแนะนำอีก <c oughs> <c oughs> เห็นไหขกังวลแต่ถ้าเกิดว่าความสามไอ้เรื่องนั้นมันก็ยากด้วยแล้วความสา ม, มารถเรามาอยู่ตรงนี้น้อยด้วยแต่เรื่องมันยากขึ้นไปอีกทีนี้แหละมัน ไม่รู้จะทำยังไงแต่มันก็ยังดีที่ว่าถ้าความถ้าสกิลทักษะความสามารถเราเพิ่มถ้าเราเอาเส้นนี้นะมันไยตัวท้าทายมันสูงแต่ทักษะเราก็สูงพอสมควรอันนี้มันก็ทำให้ตื่นตัวมันไม่ถึงกับเครียดเขาเรียกว่าฟิ5ตีฟิตีเสี่ยงอาจจะหนักไปในทาง จะสำเร็จหรือไม่กระทุ่ันไปแต่ถ้าเรื่องนั้นเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราชานาญเรื่องที่เราทำนานอย่างเช่นเรื่องจิตวิยาเราชานาญมาแล้วรู้รู้มาแล้วแต่เราทำในสิ่งที่คนยังไม่เคยทำมันมีความท้าทายสูงเมื่อมีความท้าทายเนี่ยมันไม่เสี่ยงมาก มันจะเกิดสมาธิที่ดีคือตัววิริยะเนี่ยที่มาท้าทายเรามันมีและความสามารถเราถึงมันก็เกิดโฟล์เราเลือกเรื่องที่ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปถ้ายากเกินไปสำหรับตัวเราด้วยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยมันจะเครียด เรียนมันจะเครียดเอกไหนก็นต่างหรือวิชาเลือกไหนก็นต่างและถ้าเกิดว่าความสามารถเราไม่ถึงอีกเราก็ยิ่งเครียดหนักทึ้นอีกเพราะมันยากแต่มันมีวิธีแก้คือเราไปเพิ่มความสามารถเช่นไปเรียนภาษานั้นเพิ่มเรียนภาษาบาลีเพิ่มเรียนอะไรเพิ่มจิวพิเศษภาษาอังกฤษสาหรับพระเอาไปเรียนให้มันเก่งขึ้น พอสกลมันเพิ่มแล้วเรื่องมันก็ยากนิดหน่อยไม่ยากมากมันจะเรียนสนุกอ่านหนังสือที่เราคิดว่าเราอ่านไม่รู้เรื่องแล้วว่นหนึ่งเราอ่านรู้เรื่องเนี่ยมีความสุขใครเรียนปรัชญาจะรู้เปิดด็กก็อ่านไม่รู้เรื่อง <c oughs> ถ้าไม่เรียนปรัชญาเนี่ยเพราะอาจารย์เขาทธิมาคอนเซป ต, ต์อะไรต่างๆเนี่ยนะมาเปิด เรามาอ่านอีกรอบหนึ่งเราเรียนรู้รเรื่องเนี่ยมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเจนไม่แปลกที่คนไปอ่านพระไตรไปิฎกแล้วมีความสุขพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอ่านพระไตรไปิฎกเนี่ยไม่อยากหลับจากนอนเราฟังอาจารย์พูดโอ้เรามีตแต่หลับทําไมเป็นนิดอ่านบาลีแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยโอ้มันมีความสุขจริงๆนะมันเป็นความทา้าทายฉะนั้น งานใดก็ตามที่เราทำซ้ำๆๆอยู่ในใต่่างซ้ำๆมันไม่ท้าทายใช่ไหมมันไม่ทำให้เกิดอโรมณมันไม่ทำให้เกิดสมาธิมันหลับตาทำได้เราไปสอนไปบรรยายเนี่ยกับนักศึกษากลุ่มเดิมปีเดิมทุกปีทุกปีเลยไม่เตรียมการสอนใหม่เลยพูดเป็นนกแก้วแลวคนทองเนี่ยมันมีความสุขตรงไหน ระดับของเด็กก็เท่าเดิมเรื่องที่พูดก็เดิมมันไม่มีวิริยะเมื่อไม่มีวิริยะมันก็ไม่เกิดสมาธิแล้วเรื่องนั้นมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เราก็ไม่ได้มีฉันทะสมาธิมันก็ไม่ตามมาแต่แต่ถ้าเรื่องนั้นเนี่ยสอนเด็กระดับเดิมสอนเด็กระดับเดิมคนเดิม แต่เรามีกฎระเบียบกันเราต้องค้นคว้าอยู่เรื่อยเรียมการสอนใหม่เราจะไม่พูดซ้ำจะไม่เล่านิทานเวลาไปเทศนะเอาแต่เรื่องนกเซนเซลเปลี่ยนนิทานบ้างไปเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้บาลีเดิมอะไรงานศพอะอปะปามาเทนะสปาเทธาอะไรก็ตามเนี่ยแต่นิทานใหม่ทุกครั้ง Approach ใหม่เรื่องใหม่มันจะเกิด การกระตุ้นวิริยะให้เราเนี่ยเตรียมบ่อยๆเตรียมไ บ, บ, บ่อยความรู้แล้วก็เพิ่มมาพูดที่นี่กี่ปีแล้วไม่เคยพูดเรื่องเดิมเลยจริงป่ะ <c oughs> ฮะปีที่แล้วพูดเรื่องอะไรก็จาไม่ได้แล้ว <c oughs> ฮะโดตาเห็นทาให้พูดเรื่องเดิมก็ไม่พูดล่ะ <c oughs> มันไม่ท้าทายเห็นั้ม และมันถ้าเรามีเซลล์ดิสซิบลีนเนี่ยทุกเรื่องต้องเป็นอย่างนี้หมดมันมีสมาธิตลอดแล้วก็บอกให้ก็ได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นเอาเทปที่บันทึกไว้เนี่ยแจกปีที่แล้วนะ3 4สามร้อยสี่สิบห้าเรื่องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเนี่คนเอาไปฟังกั น้อยมากที่จะสามกันทั้งๆ ท, ท, ที่เรื่องเดียวกันแจกเท่าไหรก่ก็ไม่พอเพราะมันแจกฟรีแต่ในส่วนตัวเนี่ยในฐานะนักสอนนักพูดไม่ให้มันมันตกไปในรีแลกซเช่นเรามีความสามารถสูง แล้วมาสอนเด็กป2ป1ที่วัดประยูนเนี่ยเด็กป2ก็มาฟังเทศน์ในวันพระที่แล้วเนี่ยเด็กป4ก็มาคนก็มาแต่งั้ยเราเล่านิทานในซ้าเด็กเขาจะได้อะไรใหม่ๆและเราก็ได้อะไรใหม่ๆด้วยทีนี้ถ้าเรื่องความสามารถเราสูงแล้วความท้าทายมันไม่สูงอย่างเช่น เราเราเก่งในเรื่องของเล่นปิงปองใช่ไหมเล่นกับคนที่ฝีมือเท่ากันเนี่ยมันรีแลกซ์หรือเล่นกับคนที่เก่งน้อยกว่าเราคอนโทรลเขาได้มันก็จะมาจู่จุดนี้เองไหมเนี่ยจุดนี้ก็คือความสามารถเราเราสูงแต่ความท้าทายมันน้อยเล่นกับคนฝีมือต่างก่ายังไงก็ได้ชกมวยกับคนที่ที่ ตามเราเอาข้างเดียวแขนข้างเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าควบคุมได้แต่มันไม่สนุกสนุกมันจะต้องมีการท้าทายเพิ่มขึ้นก็คืออยู่ในขีดที่ความท้าทายเนี่ยมันสูงไม่สูงมากนักไม่ถึงกับแอนซิลตี้นะในเขตเดอะโฟนเนี่ยแล้วก็สกิลของเราสูง อย่างนี้เมื่อความสามารถเราสูงความท้าทายมีพอสมควรไม่ถึงกับมากเกินมากเกินไปจะเครียด ม, มันจะไหลลื่นไปเรื่อยๆเราก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานั่นเองเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าในสถานการณ์ไหนอย่างไรเรื่องอะไรแต่และตัวเราเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องอะไรทีนี้ถ้ามองมองในการทํางานที่ผ่านมา คนก็จะมาถามว่าุท่านอาธิการทำหลายเรื่องบริหารก็ทาปกครองคณะสงฆ์อีกเป็นม ห, มหาเถรนี่เขาก็ไล่ออกแล้ว <c oughs> ไม่เครียดนะเพราะมีงานเยอะสนุกงานที่ทำกัอนอื่นนะปกครองบริหารอ ะ, อะไรการศึกษาใช่ไหมพระเขาจะมีปกครองศึกษา เผยแผ่สารูปรการสาธารณสมเพราะ์งานมันอยู่แค่เนี้ยปกครองก็ตำแหน่งคือแยกหมดศึกษาก็มาทำที่นี่เผยแผ่ก็นเนี้ยพูดเทศอะไรต่างเขียนสารูปการก็สร้างสร้างมหาวิราสร้างวัดประยูนบุรณะเจดีย์ได้รวัายูเนสโกเผยแผ่ก็เอาวิสาขาบูชาลโลกนี่เป็นองค์กรที่ปรกษาของสารพชาติ สาธารณสมเพราะก็น้ำท่วมมหาจุฬานี่แทนที่จะหนีนะเราเอาคนมาอยู่ที่นี่ที่หอฉันนี่น้ำท่วมสองเมตรห้าร้อยคนอยู่กับเราสองเดือนถ้าเป็นศูนย์ที่อื่นนะน้ำท่วมแพ้แตกกระเจิงหมดแต่มหาจุฬาแปลกเนาะน้ำท่วมอยู่กันมีความสุขถามญาติโยมห้าร้อยคนที่หอฉันข้างล่างมีแต่น้ำ แต่นีไม่โยมจะให้หนีไปไหนเพึ่งหนีมาจากอยุธยาก็โยมเอาน้ํามาเนี่ยน้ํามันตามมาเอางี้ก็แล้วกันถ้าไม่หนีนะวันไหนที่พระคิ้วย่ำโยมตามเลยนะถ้าพระยังอยู่โยมอยู่เขาก็อยู่แล้วก็บอกว่าสบายใจได้นะตอนน้ํายังไม่ท่วมโยมใส่บาดพระตอนนี้น้ําท่วมพระใส่บาดโยมก็พูดให้เขาสบายใจอธิการบริษทําหน้าที่อะไร เป็นโฆษกออกทีวีบอกบุญคนก็เอาของมาเอาของมาแล้วก็มาดูแลให้รองอธิการบดีมาอยู่ประจําแล้วก็ทีมงานคณะต่างๆแต่โคโลจี้ก็มีมาช่วยกันเดินทางจากวัดประยูน์มาที่นี่เนี่ยห้าชั่วโมงน้ำบรรทุกปกติชั่วโมงเดียวห้าชั่วโมงกลับอีกห้าชั่วโมง มาอยู่ชั่วโมงหนึ่งสังการเป็นอย่างนี้สองเดือนมีความสุขเพราะอะไรมันไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเรามีฉันทะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเรามีสมาธิในการบริหารเจัดการทุกคนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันมุสลิมก็มาอยู่กับเราสิบเจ็ดคน พราะททำวัดเช้าทำวัดเย็นนะพวกมุสลิมเลยขอผมเป็นมุสลิมครับไม่เซินมไพรสะเขาก็อยู่กับเราได้มันเป็นกรณีศึกษาได้เขาเรียกว่าถอดรหัสได้เลยแต่ยังไม่เห็นถอดนะเราให้ทั่วอีกรอบ <c oughs> ใครจะนึกบ้างสุนาวิมาภาคใต้ ทั่วใหญ่อยู่ใกล้แสนไตาอาธิการก็ต้องไปไปเพราะอะไรนี่ลูกศิษย์พวกนี้เป็นพระเรียนจุตนิยาพุทธจิตวิยารุ่นไหนก็เป็นไปขออนุญาตท่านอาธิการพวกเราเรียนพุทธจิตวิยาเรียนจุิยาจะขอไปช่วยชาวบ้านที่ตกทุกข์ใดอย่าง ที่หมู่บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาคนตายเยอะมากเหตุเกิดวันที่ยี่สิบหกธันวาคมปีสทะะ่าไหรสี่หกวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสามสิบปลาอาอธิการเป็นคณะเป็นที่10ิคณะเอกจิตวิทยาคุณไดาจิตวิทยาก็บอกเขาว่าท่านจะไปอยู่กันยังไงโยก็ไม่ได้ใส่บาตรท่านนะ คนเดือดร้อนครับเราอยากจะไปช่วยต่เน็ตโองั้นท่านอย่าไปเป็นภาระเขานะเขาใส่บาตรแล้วท่านจะอยู่กินยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเตรียมกันไปเราน้ามันก็ไม่สะอาดนะจะไปฉันน้ำอะไรย็เตรียมไปพอไปเยี่ยมบางคนฉันน้ำมะพร้าวโยโมหมดเลยโยโมเขาเ็พวกทหาระนะเขาปีน เออไปอยู่ในวัดปีนเอเมรเพ้ามาถวายโอ้ก็ยังดีอยู่ร่วมกับทหารพอพอลูกศิษย์ไปใช่ไหมพวกเราพวกูกบริหารมันก็อยู่ไม่ได้สิก็ต้องไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกศิษย์เขาอยู่กันยังไงมันก็เลยไปเห็นความจริงทางอย่างที่เขาไปสักสิบวันเลยไอ้พลังทําลายของธรรมชาติเสด็จมิมัน มันได้เห็นกับตาชนิดที่ว่ามันกวาดเรียบไปหมดเลยนะต้นไม้เนี่ยนะไม่เหลือเลยนะเลนฝั่งไปกิโลเนี่ยมันแล้วยกเรือเรือเหล็กเรือเหล็กไของของทหารเนะี่ยไปไววตรงนู้น่นนะไปกำลังไปเดินเยออยู่ไปเจอฝรั่งสองคนเขาตามหาคนเขาจ้างให้ตามหาศพฝรั่งด้วยกันก็ได้คุยกันไปเห็นเรือนะหนักเป็นสิบตันคลื่นมันยก มาจากชายฝั่งมาวางไว้ติดกับบ้านเลยบ้านอยู่อย่างนี้เรือก็มาเช็คแฮมเนี่ยไปถามเจ้าของบ้านนี่เรือใครเรือผมแล้วนี่บ้านใครบ้านผม อ, อ๋อแล้วทำไมมันกลับมาอยู่ตรงนี้มันก็แปลกนะท่านนะผมออกไปทำธุระ ก, กลับมานะคลื่นมันมาเรือเป็นร้อยๆหลามอยู่ในฝั่งลิมฝั่งเนี่ยห่างเป็นร้อยเมตรเนี่ย เอ้ยําอื่นไม่มาน่ะเรือผมเนี่ยมันมาบ้านผมมันไม่ไปบ้านใครด้วยก็ยังถ่ายรูปไปหนึ่งได้ไปเห็นอะไรแปลกๆอย่างเนี้ยไปเห็นต้นมะม่วงโกรนเลยนะใบเนี่ยไม่ใช่โกรนใบเหี่ยวแห้งหมดเลยนะอยู่ริมริมทะเลถามว่ามันเป็นสูนามิมาณฑนน่ามันท่วมมะพร้าวท่วมต้นมะพร้าต้นมะ่วแต่มะม่วงต้นนี้ คนลอยมาเกาะสิบคนรอดตายแต่พอน้ำรดมาม่วงตายมันเสียสละจริงๆแล้วก็ไปไปเยี่ยมนิสิตเหล่าที่อยู่ที่วัดอะไนะปาโครุไปเจอนิสิตนักศึกษ า, าจิตวิทยาของเชียงใหม่มชมาเป็นลูกศิษย์พระเลยทีหนึ่งแน่ไั้หละ นิสิตของอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จิตวิทยา ม, ามามามาอยู่ที่วัดมาอยู่กับพระนิสิตหรอถามว่าเขามาทําไมถ้านิสิตคารวาดไปเนี่ยไปหาชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกฉันไม่ได้บ้าไม่ได้เป็นโรคจิตไม่ต้องมาคุยแต่ถ้าพระได้เออเอาธรรมะมาคนเลือกนะ เพราะฉะนั้นพวกนิสิตตังไอ้ที่นิก็เลยอาศัยพระไปด้วยจะได้เข้าถึงชาวบ้านมันเป็นค่านิยมของชาวบ้านอ่ะจริงๆเรื่องจริงนะจันก็ทางเสร็จแล้วก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านไปวัดย่านยาวไปเจอหมอพรทิพย์คนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นพุทธเข้าวัดเหมือนหมดเวลาตายไปไม่หมด แล้วก็ไปโรงแรมที่คุณพุ่ม่ไคุณพุ่มไปสิ้นตรงนั้นเขาปาั่นที่ไว้มีดอกไปของแม่ไปวางเราไปถึงอันนี้ไปรอบสองสิพระด้วยขึ้นเครื่องบินอะไรนะเอเ อ, เอของทหารนะ่ะสี่ร้อยสามสิบขนของันเลยนี้ไปช่วย แล้วก็มืดพออยจะไปถึงจุดนี้เราก็สวมดมนตะ์ไปสวดบางสุขุลให้คนพวกวางเอาเสือปูก็สวดในความมืดแล้วฟังขบวว่าขณะที่กำลังสวดเสียงโหยหวนมันดังมามาจะกตึกเสียงรอ้องโหยหวนทุกคนหันไปหมดเหลือแต่มันมีภาพมันฟ้องนะอธิการนั่งสวดอยู่คนนี้นบนน เห็นแล้วตลกดีเน่ยมันเหมือนในหนังเลยเลยไอ้เราก็สวดไอ้ล้วใครจะลอก็สวนไอ้พระอื่นก็ตูนอย่างเงี้ยมันฟ้อไในภาพอ่ะในความมือมักดชัตเตอร์เห็นน่ออกมามันมีแต่ที่การนั่งสวดอย่างเงี้เลยคนอื่นตาเหลือตาลานหมดเหมือนในหนังเลยหงเหมือนหนังไม่น่า คือเข้าใจว่าคนมาหายากเขาไม่เจอเขาก็ร้องไห้ใช่ไหมแต่มันอยู่ๆมันร้องมาในความมืดอ่ะนะเรากำลังสวดออย่างนี้มันเป็นประสบการณ์ที่นี่เชิญสารนาสมเพาะทางจิตใจอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้ทำก็คือพายุนากิสที่มาพม่านะ่ะคนตายมากเลยมหาจุายยกคณะไปช่วยที่การบดีก็พ า, ายหลี่ร้อสามสิบทีนี้สาเลยะ ไปลงย่างกุ้ง น, นะแล้วก็ถ้าเป็นอังกฤษอเมริกาเขาไม่ให้ลงไปพื้นที่ที่คนตายเอ้ยไม่ใช่ที่ประสบภัยเขาให้ทิ้งของไว้ที่สนามบินถ้ามาจากยุโรปอเมริกาไม่เข้าแต่พอเป็น MCU นะเร้งขบวนเลยนะพาไปถึงอะไรพยาโปลนไปเป็นสี่ห้าชั่วโมง ควายยังนอนตายอยู่เลยเห็นหมดเลยชาวบ้านเดือร้อนยังไงเห็นหมดเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมของเราก็ไม่ใช่จะมากกว่าคนอื่นนะแต่ทำไมพอเอ็มซไปนี่รัฐมนตรีก็มาต้อนรับเจ้าคณะของพม่าก็มาต้อนรับในท้องที่ทีวีข่าวสองทุ่มอะไรของเขากี่ทุ่มไม่รู้ หายข้อตลอดเลยรีรันด้วยดังใหญ่เลยนะของนิดเดียวน่ะแล้วมาถึงบางอ้อเมื่อสังเกตพฤติกรรมของเขาพม่าเนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยไม่ต้องการให้ศาสนาอื่นเข้าไปถือโอกาสเผยแพร่ตอนนั้น แต่ถ้าเป็นพุทธด้วยกันถึงไหนถึงกันโอ้พุทธใจดีแล้วเกินแต่ของนี่เดียวอะศาสนาอื่นของเยอะแยะเข้าไม่ได้นโยบายของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงชื่นชมไงที่พุทธชาวพุทธยังมหาจล า, าไปอะไรไปแล้วก็ได้เห็นเจดีย์ชเวดากงแผ่นทองที่เราเห็นเนี่ยนะมันหลุดเนะ โดนพายุเนี่ยมันซัดหลุดเป็นแผ่นๆไม่มีใครเอาเลยนะเพราะมาคืนแล้วมาวางกองกันอยู่กันทองแท้ๆเลยนะของประเทศไทยแค่ทองปิดพระพุทธรูปเ้งก็ได้เห็นอะไรแปลกๆก็คือแต่สรุปว่าไงสรุปว่า ถ้าเราทำด้วยน้ำจิตน้ำใจมันเหมือนคนละฟีมันเหมือนคนละเรื่องแต่มันไหลลื่นด้วยสมาธิและมันมีความสุขเมื่อมีความสุขเวลามันก็ล่วงเลยมาจนแัด น, นี้เลยพอได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาจะได้มีในการอื่นต่อไป <c oughs> <c oughs> นี่แค่ทดสอบให้ดูเฉยๆ <c oughs> เรียนต่อไปจะสุขกว่นี้สรุขกว่นี้เนาะ มีความสุขแต่ให้จบตามเวลาก็าลวกัน <c oughs> วันนี้ประทบนิเทศแค่นี้ก็ขออนุโมทนาพวกเรา <c oughs> ที่มาศึกษาเล่าเรียนในวิชาที่เป็นประโยชน์ไพศาลที่ได้กล่าว ม, มา <c oughs> เป็นการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมพร้อมกันครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้เป็นประทีปส่งทาน <c oughs> เป็นแสงสว่างให้ธรรมะแก่พวกเราทุกคนจึงเป็นที่อนุโมทนาทั้งผู้บริหารครูบาอาจารย์และนิสิต จึงขอโนโมนาและขอบุญกุศลที่เราบำเพ็ร่วมกันในการศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้จง ม, มารวมกันเป็นตาบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการบริหารการสอนและการศึกษาเล่าเรียนให้สําเร็จสมบรณ์ลมุ่งมั่นปรารถนาโดยปราศจากทุกโศกโรคภยัยอุปสรรคตรายทั้งปวง ประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ผ่านสำเร็จสมโมโนรถุมานปราถนาทุกประการเทอม